พุทโธธโมสังโคกราบขอากาสน้ำม ก, การพ่อครูด้วยความเคารพครับน้ำมส ก, การหมู่สงเจริญธรรมสิกมาศและญาติโยมที่ตั้งใจฟังวิถีอริยธรรมทุกชีวิตนับบัดนี้พ่อครูสมณพติรักมาสู่รายการวิถีอริยธรรมอีกครั้งหนึ่ง เป็นการมาพบปะเจอเจอในรายการสดประจำตอนสายของวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2556วันนี้พ่อครูจะนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปรับปวาทะหรือคือการตอบประเด็นแย้งจาก SMS ที่ส่งมาคือหมายความว่าข้อความสั้นๆที่เปิดโอกาสให้ ส่งข้อความเข้ามาเนี่ยก็มีผู้ที่อุตสาหะในการส่งข้อความเหล่านั้นมาเป็นตัวหนังสือจริงๆหนึ่งข้อความเนี่ยก็มีเพียงแค่เจ็ดสตัวอักษรแต่ปรากฏว่าท่านผู้ที่อุตสาหะในการส่งข้อความโต้แย้งในประเด็นต่างๆที่พ่อครูนําเสนอไปและนําความเห็นอื่นที่แปลกแตกต่างไปจาก ความเห็นที่พ่อครูนําเสนอเนะี่ยมาสู่ SMS นี้ค่อนข้างจะมีความขวนขวายในเรื่องนี้อยู่พอสมควรพ่อครูได้มีโอกาสนําเสนอประเด็นแย้งของท่านผู้ที่โต้แย้งเห็นต่างนะมาหลายครั้งและก็มองเห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ควรจะต้องนำมาปรับปวาทะคาว่าปรปรปวาทะนี่เป็นคําในพระตรบิดก มีปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรที่มารมาอัฏธนาพระพุทธเจ้าให้ปรินิพานพระพุทธเจ้าได้ตรัสโดยสรุปว่าหากแม้นยังไม่สามารถทำให้พุทธบริษัททั้ง4อันคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกปัติการเนี่ยมีความอาจหางเกี้ยวกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแล้วก็มีความสามารถในการปรับปวาะป ร, ประปรปวาทะก็คือการนาวาทะที่เห็นต่างเนี่ย มามากล่าวแก้ให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกตรงสืบต่อไปอ่ะอันนี้เป็นคำอธิบายที่คิดได้ในขณะนี้ะพะครูซึ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้รู้ที่ยิ่งกว่าเนี่ยอาจจะมีคำอธิบายที่ดีกว่านี้ก็ได้อย่างไรก็ตามมีถ้อยคำที่ปรากฏใน FB f a c e b o o k ล่าสุดได้เจอถ้อยคำสั้นๆอยู่นิดหนึ่งว่าอยากทำอะไรก็ทาไปเถ อ, อยังไงก็มีคนดา่า อยากทำอะไรก็ทำไปเถอะยังไงก็มีคนด่าคือทำให้นึกถึงถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีในพระไตรปิฎกว่าอยู่เฉยๆเขาก็นินทาพูดน้อยเขาก็นินทาพูดมากเขาก็นินทาไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกนินทานัตถิคือหมายความว่าที่จะหลีกเลี่ยงหรือเว้นจากคำนินทาหรือคา ถากถางเสียดสีเยอะเย้ยหรืออะไรต่างๆนาน า, นานเห็นจะไม่มีเพราะครูก็ดูจะได้รับประเด็นนี้จากทางผู้ที่ติดตามรายการแล้วก็ส่งข้อความตอบกลับมาจะบอกเป็นการนินทาก็ไม่เชิงเพราะว่าเป็นการนำเสนอความเห็นโดยตรงนินทานี่หมายความว่าเอาไปพูดรับหลังมีลักษณะสอเสียดแต่การโต้แย้งโดยตรงเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นคานินทาจะเรียกว่าเป็นอะไรก็สุดแท้แต่ แต่ประเด็นนี้คือประเด็นที่พ่อครูได้ปรารถก่อนจะเข้าสู่รายการแล้วว่าจะนำมาอ ธ, าธิบายสืบต่อไปวันนี้สิ่งที่พวกเราจะได้รับรู้จะได้เข้าใจอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าพ่อครูคงไม่เพียงแค่การนำเสนอประเด็นเห็นต่างให้พวกเราได้ฟังเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพียงเท่านั้นแต่น่าจะหมายถึงการเป็นแบบอย่างในการฟังความเห็นต่าง และการให้ค่าให้ความสําคัญของคนที่เห็นต่างว่าจริงๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องตีทิ้งเป็นสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนดินเป็นพระเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยได้หรือต่อให้ความเห็นต่างๆนานาเหล่านั้นจะเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกตรงใดๆก็ตามดอกบัวเกิดจากโคลนตมนอะอาศัยโคลนตมทําให้ดอกบัวเบ่งบานขึ้นมาได้ชันใดสติปัญญาที่ดีเนี่ยบางทีบางครั้งต้องอาศัย คโรโตมมาเน่ยเพื่อการผุดเกิด<ม>แห่งสติปัญญาที่ดีนั้น<ม>ฉันนั้น<ม>ก็กล่าวนำมาพอสมควรนะขอกราบนิมนพ่อครูเข้าสู่วิถีอาิยธรรมนมาสการครับพ่อครูครับตกลงวันนี้มีเวลายาวนะวิถีอาิยธรรมในสองชั่วโมงนตมาก็จะใช้วันนี้ นะคุณแปดเจ็ดูนย์ห้าที่เป็นมิตร ด, ดนะีได้พยายามส่งข้อความที่ไม่มีความเห็นต่างผูนะ้ที่มีความเห็นต่างในเรื่องของาศาสนาพุทธเนี่ยซึ่งก็พยายามที่จะแสดงความเห็นนั้นๆออกมามีหลักฐานมีเหตุผลมีอะไรรต่าง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนานาฉลิวฉลาดนะ เป็นคนเฉลียวฉลาดเรียนรู้รู้มากรู้จะมากกว่าอาตมานะเรียนรู้เท่าที่รู้รมาหลายๆอย่างแสดงออกเนี่ยหลายอย่างที่อาตมายังไม่เคยรู้ก็ได้รู้จากคุณแ7 0 5จศูนย์ห้าเนี่ยแสดงออกมาอาตมาก็ได้เอามาทบทวนแล้วก็นามาประกอบกับความรู้ของอาตมาก็ทำให้อาตมาต่อยอดความรู้ขึ้นไปด้วยนะก็ขอบคุณที่เสิอให้อาตมามีความรู้ เจะเรินขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นส่วนในเรื่องของจริตนิสัยส่วนตัวของคุณ8705หที่มกัมมกจะขมนะมักจะขมมคือที่ขมอัตมามากๆที่เห็นเป็นประจำก็คือขมอัตมางโง่ก็อาจจะเป็นว่าอาจจะไม่เจตนา จ, จะขมทีเดียวอาจจะสงสารอัตมาเหมือนพ่อแม่นี่นะ มันลูกเต่ามันไม่ก็ฉลาดสักทีมันไม่ค่อยจะรู้สักทีสอนเท่าไรก็ไม่เคยรู้นี่มันมันก็ต้องพูดไอ้โง่ไอ้โง่อะไรเงี้เนาะว่าลูกลูกก็คงไม่ได้ไปขมอะไรหแต่ว่ามันมันปรารถนาดีอนะทําไมมันโง่ดักดาอย่างนี้มันโง่ไม่งงไม่เงยเลยอะไรเงี้ยนะมันก็ภาษาอีสานเขาเรียกมันเหลือใจมันเหลือใจอะทาไมมันโง่ไม่ รู้จักฉลาดทุกทีมันโง่ไม่เสร็จโง่ไม่แล้วโง่ไม่จบโง่ดักโง่าดานยังไงกันนะคล้ายกันนะอาตมาก็ไม่รู้จะทําไงเพราะอาตมาเองอาตมาก็ว่าอาตมาใช้ความฉลาดแล้วนะที่ทําความเข้าใจกับคุณแปดเจห้าที่แสดงออกมานะว่าจริงๆแล้วอาตมาไม่ได้โง่ดังที่คุณแปดเจ็ดนห้าว่าทีเดียวหรอกแต่คุณแปดเจ็ดห้าเห็นว่าเราเข้าใจไม่ตรงกับที่คุณแปดเจ็ดศห้าเข้าใจไม่ตรงนะไม่ตรงกับของคุณแปดเจ็ห้าเข้าใจ ก็ถือว่าเราเนี่ยผิดไม่เข้าใจความถูกเป็นมวลได้เข้าใจความผิดอยู่นั่นน่ะเอาความถูกมาเสนอก็ไม่ยอมเชื่อสักทีหนึ่งที่จริงอาตมากระบอกบอกคนไปดเจสดนยหนาว่าคุณเสนอมาอาตมาเข้าใจเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจรู้นะพอจะมีความรู้จะเรียกว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดก็แล้วแต่ทำไพอมีความรู้เข้าใจดิคุณแสดงเสนอมาเสมอเลยไม่ได้ขาดตกบกพร่องหรอก รู้ว่าคุณหมายถึงอย่างนั้นเข้าใจทะลุเลยแต่อัตมาก็ยังเห็นอยู่ในเรกความเข้าใจของคุณนั้นกับอัตมาต่างกันอัตมาต้องยืนยันอัตมาว่าถูกแน่นอนอัตมาก็บอกของคุณผิดของคุณยืนยันว่าคุณถูกคุณก็ว่าอัตมาผิดมันก็เป็นธรมธรมดาธรรมดาอัตมาไม่ได้แปลกประหลาดอะไรในสิ่งเหล่านี้เป็นจริธรรมของโลกมันก็เป็นธรรมดาในความยึดความเห็นแต่อัตมาว่าอัตมนี่เข้าใจคําว่ายึดกับคําว่า ยนืนยันยืนหยัดต่างกันอาตมาไม่ได้ยึดความเห็นของอาตมาแต่อาตมายืนหยัดยืนยันความเห็นของอาตมาว่าความเห็นของอาตมาเป็นอย่างนี้ส่วนคุณจะเห็นอย่างนั้นอาตมาก็เข้าใจก็ไม่ไม่ได้ไปยึดว่าของเราถูกของคุณผิดก็พูดไปแล้วของคุณอาจจะถูกก็อาตมาอาจจะผิดก็ได้แต่อาตมาต้องพูดยืนยันยืนหยัดว่าที่อาตมาเข้าใจอย่างนี้ว่าถูกอย่างนี้ว่าผิด อาตมาก็ยืน ย, ยันออกไปเท่านั้นเองไม่ได้เถียงนะไม่ได้เถียงแสดงความเห็นของเราคุณของคุณก็แสดงความเห็นของคุณอาตมาเข้าใจเข้าใจว่าคุณกับอาตมาน่ถกกันอยู่แต่คุณพยายามที่จะเข้าใจว่าอาตมาโง่ไม่เข้าใจสักทีอาตมาก็ว่าเอ๊ะผิดนะตรงนี้อาตมาว่าผิดเพราะาอาตมาเข้าใจนะไม่มีอะไรที่คุณพูดมาอาตมาไม่เข้าใจสักที ที่คุณจะจะจะมาขยายความมาอยกตัวอย่างอันนั้นอันนี้มาอาตมาก็ขยายความต่ออยู่ทุกทีเอออาคนที่นั่งอยู่นี้อย่าบอกว่าผมยังเข้าใจเลยอย่าว่าแต่อาตมาเข้าใจเลยบอกว่าผมยังเข้าใจคนที่นั่งฟังอยู่นี้ด้วยยืนยันว่าผมยังเข้าใจเลยเข้าใจไม่ได้ไม่ไม่ความว่าไม่มีความฉลาดจนกระทั่งเข้าใจสิ่งที่คุณสาธยายมาเปรียบเทียบมายกตัวอย่างมาต่างๆนานาน่จะเข้าใจไม่ได้ได้นะถ้าจะบอกว่าฉลาดนี่มันต่างกับความโง่ มันไม่ได้โง่เรามันฉลาดอยู่แล้วแต่คุณก็ยังยืนยันว่าเราโง่โง่โ ง, โงอยู่ น, น, นั่นแหละเอาเถอะก็เป็นความเห็นของคุณว่าเราไม่เข้าใจาและคุณก็รู้สึกว่าจะผ่านเหมือนกันนะอันไหนที่เราเข้าใจแล้วคุณก็ไปหาอื่นมาอีกมาอีกมาอี ก, อกเราก็ขยายความอีกอคุณก็ว่าไปาเอาสุดท้ายที่คุณ s อ s มาฉบับวันที่สิบเอ็ดนี่นะอเอาวันที่สิบสองเลยก็ได้ เอาสิบสองเลยนะไม่เอาสิบเอ็ดเอาไม้เอ็มเลยวัน น, 14, าาาานี้วันที่สิบสี่สิบสองเมื่อวานนี้วันที่สิบสามอัตมาไม่ได้ออกนะแล้วคุณนี่ยังไม่ได้เอสอมบมาหรือเออมเบสมาก็ไม่รู้เค้ายังไม่ส่งอัตมามาของวันที่สิบสาวันนี้วันที่สิบสี่ใช่ไหมอ่าก็เอาของวันที่สิบสองแล้วกันคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกเริ่มต้นด้วยประโยคเลยว่าทําไมถึ ง, งโงนะ่นะักนะและม่เครื่องหมายคําถามห น, หนึ่งตัวด้วยนะ แมจริงๆก็น่าเห็นใจนะว่าแม่ทําไมโพธิรักเนี่ยมาถึงโง่นักเขามาคาถามถามมาอีกนั่นสิทําไมมันโง่นักนะเนาะเออเวน้นนะเขาก็ทีนี้ขยายความเรื่องที่เห็นว่าน่าจะเข้าใจนะเว้นสมุทเฉดทวิมุตแล้วก็ตะทังทวิมุตกับวิคัมพนวิมุตไงที่เป็นวิมุตของปุตุชนยืนยันว่าปุตุชนเนี่ยมีวิมุตอาตมาก็แย่งไปแล้ววันก่อนเนี่ยว่า ใหุ้โชนมันมมนมีมุดไม่ได้ไอ้วิมุตนันเป็นภาษาของความหลุดพ้นไม่ใช่เป็นภาษาของความเข้าใจที่บอกว่าไอ้ลักษณะอะไรที่เช่นยกตัวอย่างง่ายๆลักษณะของความหลุดพ้นที่คุณเข้าใจว่าอาการที่มันมันหลุดมันไม่เฉยมันเฉยเฉยมันไม่มีอะไรในจิตแล้วน่ะมันไม่มีอะไรในจิตแล้วมันว่างมันโล่งมันสบายมันหมดก็ตามลักษณะอย่างนั้น อารมณ์อย่างนั้นของมนุษย์นะนะปุตุชนมีได้จริงๆแต่ไม่ใช่วิมุตมันเป็นเทหะสิตะอุเบคาเวทนานี่เป็นภาษาวิจการของาศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าคุณแปดจศนยหายังยืนยันว่าปุทุชนนะะมีอารมณ์วิมุตมีอาการวิมุตได้อันนี้เห็นแย้งต่างกันแน่นอนอาจมาไม่ได้เถียงนะ คุณเห็นว่าบุทุชนมีวิมุตได้ใช้คำว่าวิมุตินี่นะอัตมาเขาจะวิมุตเนี่ยคือเป็นภาษาแห่งการบรรลุธรรมของอารยบุคคลปุทุชนไม่มีหรอกแต่อาการของอความมีเหมือนกันซึ่งเป็นอารมณ์ที่คนหลงเข้าใจผิดว่าเป็นเป็นวิมุตหรือเป็นอารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์นิโรธเนี่ยมีอารมณ์นั้นก็คืออารมณ์ว่าง อารมณ์ที่ไม่มีอารมณ์นิวรณ์ไม่มีอาการนิวรณ์มันเฉยเฉยมันเป็นลักษณะของอัตุกรรมสุขหรืออภยกริทธ์มันไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่มีอารมณ์หรือมันว่างสบายเฉยเฉยปุตุชนมีได้ไม่ใช่วิมุตต์ขอย้ําอีกล้านครั้งยืนยันว่าอารมณ์อย่างนั้นลักษณะความรู้สึกอย่างนั้นของจิตจิน ญ, ญาณจิตใจคนเนี่ยไม่ใช่วิมุตต์ อันนี้ลราอาตมาว่าคุณไปแก้ทิฏฐิสบ้างซิจะมันมันจะพอแก้ได้ไหมว่าอารมณ์อย่างนั้นไม่ใช่วิมุตติที่ไม่ใช่วิมุตติเพราะว่าอารมณ์เช่นนั้นนั้นท่านเรียกในภาษาวิจาการว่าเคหะสิตตะอุเบขาเวทนาซึ่งมันต่างจากเนกขมสิตตะอุเบขาเวทนาต่างกันคนละขั้วเพราะเคหะสิตตะในมโนเปวิจารณ์สิบแปดนี้มันเป็นอารมณ์ของ คนหรือความรู้สึกของคนปุถุชนของคนเคหิตตากระบองอยู่แล้วปุถุชนเป็นชาวโลกโลกธรรมดาส่วนเนคขมมะนั้นเป็นการออกมาจากโลกโลกีปุถุชนเริ่มเริ่มเดินทางจิตวิญญาณเริ่ ม, ม, ม, ม, มปฏิบัติแล้วถ้าบรรลุผลไปตามลําดับบรรลุมรรคบรรลุผลไปตามลําดับเนคขมมากไปเรื่อยๆอ่าซึ่งมันเป็นพฤติกรรมของจิตวิญญาณที่มีอาการเนคขมมะไม่ใช่ออกมา บวชโกนหัวนุ่งเหลืองว่านี่คำมาเฉยเฉยอันนั้นมันรูปธรรมสมุติจจัจจะง่ายๆแต่โดยประมาจาแล้วคือจิตมันออกจริงๆจิตมันหลุดพ้นเรียกว่าวิโมกขิมุตินี่แหละมันหลุดออกมาเลิกออกมาจริงๆมันเป็นการปฏิบัติแล้วมันมีสมาธ to ิิและก็มีสมาปฏิบัติมีสมาปฏิเวทสามารถออกมาได้ตามลําดับตามลําดับตามลําดับท่านเรียกมโนปวิจานส่วนนี้ว่าเนกคคำมะซึ่งเป็น อาการอารมณ์ของจิตเจตสิกรูปนิพผานในภาคของโลกุตระไม่ใช่ภาคโลกียะนะจ๊ะต้องพยายามเข้าใจนี้ให้ชัดเจนถ้าไม่สามารถเข้าใจสภาวะจิตเจตสิกในสภาวะอย่างนี้ก็ยืนยันว่าคุณยังเข้าถึงจิตเจตสิกหรือเข้าถึงประมัติยังไม่ได้แยกเวทนาในเวทนายังไม่ออกแยกโลกียะกับโลกุตระ ยังไม่ออกนะอันนี้ก็ความเห็นของอาตมาที่ขอเคลยร์ความแทนที่นี้คุณแปดเจ็ดศูนห้าบอกอีกว่าสมัสนญญาเห็นเกิดดับก็จริงสมัสนญญาเห็นเกิดดับก็จริงสมัสนญญาคือยานข้อที่สามในยานสิบหเห็นเกิดดับก็จริงแต่เห็นด้วยจินตามะยปัญญาส่วนอุทัพยัญญ า, ยาถึงเห็นเกิดดับด้วยภาวนามยปัญญา นี่ก็เป็นความเห็นของคุณ8 7 0เจ็ดหาก็ต่างกัอาตมาอีกแหละอาตมาเห็นว่าสมัสนญ า, านก็ดีนาะมารูป ป, ปริเชทยานอาสิเป็นยานที่หนึ่งที่โบราณอาจารย์ท่านมาเรียบเรียงเอาไว้นะข้อที่สองปัญญะปริกหายาณนะข้อที่สามสมัสนญยานสมัสายานอาสมัสี า, านนี่มีในยานหกสิบเจ็ 67, หรือ ย, ยานเจ็ดสิบสาที่ท่านรวมไว้ในมาตติกา ในประธรรมปกเล่มสาสิบเ็ดนั้ น, นเป็นยานทางพุทธศาสนาตั้งหกสิบเจ็ดสิบยานนี่แหละแล้วท่านก็เอามารีบเรียงมาย่อลงเหลือสิบหกยา น, นสมนัยสนญาณมีในยานที่หกสิบกว่าเจ็ดสิบนั้นส่วนคำว่า น, นามารูปปริเฉทยานะกับประยะปัจยปริกขายาน ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะนั้นปัจยปริกขายาน ะ, ะ, ะ, ะนั้นโบราณอาจารย์ท่านรวบรวม ตั้งขึ้นเรียกรวมหลายหลายยานที่เริ่มต้นตัง้งศีลละสามณศีลละมยญาณอะไรต่างๆนานาตั้งต้นๆเนี่ยนะอาตมาไม่สาธยายประวัติพวกนั้นเพราะอาตมาไม่เก่งแต่พอรู้ก็พูดไปปากปรางความเห็นของคุณแปดเจ็ดศูนยห้าบอกว่าสมุสนญาณสมุสนญาณเนี่ยเห็นความเกิดดับตรงกันเห็นความเกิดดับด้วยกันแต่ว่าความเห็นของคุณแปดเจ็ดศูนยเห็นว่า ไอเห็นความเกิดดับนั่นน่ะเห็นด้วยจินตามยปัญญานั้นอย่างหนึ่งเห็นความเกิดดับเนี่ยเห็นด้วยจินตามยปัญญานั่นอย่างหนึ่งเพราะว่าสมัสนญาณที่เห็นความเกิดดับนี่มันยังไม่ใช่ภาวนามยปัญญายืนยันคุณณียืนยันว่าแค่ญาณที่สามสมัสนญาณนี่ยังไม่ใช่ญาณภาวนามยปัญญายังไม่ใช่ญาณที่ปฏิบัติ ภาวนาม่ใปัญญาหมายเขาไม่ได้ปฏิบัติเกิดผลขึ้นมาแล้วก็เกิดญาณเห็นความเกิดดับนี้โดยเห็นความเกิดดับที่เป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นจิตเจตสิกต่างๆมันเกิดมันดับญาณนี่ยังเข้าไปถึงจิตเจตสิกแล้วเห็นจิตเจตสิกเกิดดับญาณสมรรถะญาณนี่เป็นอย่างนั้นนะที่อาตมานี่เชื่อเข้าใจแล้วแต่นามารูปาเริ่มเห็นนามรูปแล้วเริ่มเห็นจิตเจตสิกแล้วปัญญาปิฏิหักก็แยก จะเหตุปัจจัยต่างๆออกแล้วสมัสนญญาณก็ลึกไปกว่า น, นั้นเห็นความเกิดความดับของจิตเจตสิก ต, ต่างๆแล้วซึ่งตั้งแต่แตนา ม, มารูปปัปปิเจติยานในโสรถญานนเรยานสิบหกเนี่ยล้วนแต่เป็นภาวนามยปัญญาทั้งสิ้นที่อาตมาเข้าใจแต่คุณนี่ยุ่นยานว่าสมสัสสัญญาณมันยังเป็นแค่จินตามยปยัญญาไม่น่าไปจินตาอยู่ตั้งเยอะตั้งแย่แล้วก็คิดอะไรแต่ละออกไปความเกิดความดับก็ยังเป็น จินตาอยู่มันก็ถูกของคุณนั่นนักเพราะคุณเป็นภูมินั้นจริงๆขออไยนะาอาจจะมาไม่ได้ว่าคุณหรอคุณเป็นอย่างนั้นให้อาจมารู้คุณแสดงความจริงของคุณออกมาให้อาจมาเห็นว่าคุณยังอยู่ที่ตรงจินตาเนี่ยแม้แต่ยานสมณสนญาณก็เอาพยัญชนะของปรมัติ์ของท่านแท้ๆทึ่เป็นโสโลยานเป็นยานที่บรรลุธรรมไม่ใช่ยานจินตาแต่คุณก็ปยังไม่เข้าใจจินตาเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณเองคุณก็ยังอยู่ในภาค จินตาอยู่จริงๆยิ่งย้ำความเข้าใจของอาตมาให้ชัดเจนว่าใช่แล้วอาตมาเข้าใจคุณไม่ผิดหรอกว่าคุณยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องโลกุตระเท่าไหร่หรือปรมัตเท่าไหร่คุณกําลังเรียบเรียงพยัญชนะออกมาตามที่เข้าใจทึงสับสนเยอะเดี๋ยวจะอ่านเดี๋ยวจะอ่านจะเห็นได้สับสนน่าดูเลยนเดี๋ยวจะได้อ่านยาวๆอันนี้สั้นๆเอาเอาแค่นี้ก่อนสําหรับอตัวนี้ ทีนี้ตัวต่อมาที่นี้คูณแปดเจ็ดศูนย์ห้าก็เลยคงได้เรียบเรียงเอาไว้ละ อ, อันนี้แย้งอาตมาเท่านั้นเองนะซึ่งอาตมาก็ยืนยันแล้วนะอธิบายสู่ฟังแล้วว่าเรื่องของกวิ ม, มุตต์นะเรื่องของวิ ม, มุตต์ที่บอกว่าสมุทเฉทวิ ม, มุตต์ตะังคำวิ ม, มุตต์นี้เป็นวิคัมวิ ม, มุตต์นี่ก็ตามเป็นของปุถุชนบอกว่าปุถุชนมีวิ ม, มุตต์นะ เสื้อาตมาเขขอเยือนเนว่าวิมุตต์เนี่ยจะเริ่มต้นตัดทางคำวิมุตต์ก็ตามวิคัมวิมุตต์วิคัมพนาวิมุตต์ก็ตามเริ่มต้นเข้าถึงจิตแล้วเริ่มต้นพุทจิตแล้วมันจะจินตามัจยปัญญานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิมุตต์ถ้าเรียกว่าวิมุตต์แล้ววิคัมพินาวิมุตต์ก็ใช้ในการกดข่มตัดทางคำวิมุตต์ก็หมายความว่าไม่ใช่กดข่มเท่านั้นแต่สามารถที่จะมียานปัญญาทําให้ กิเลสลดได้เป็นคล้คาวเรียกว่าตัถังฆ ะ, ะเป็นคลังคลังคล่าวา ว, วิคัมพนะนี้ก็ไม่ใช่วิคัมพนากดข่มแบบฤาษีแบบที่ผิดเพราะว่าวิคัมพนาวิมุตของศาสนาพุทธนั้นในวิมุตห้าเนี่ยมีปัญญาแล้วแต่เราต้องใช้การกดข่มนี่คนธรรมดาสามัญในโลกก็ใช้การกดข่มอยู่แล้วเป็นสัญชาตญาณสามัญอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อมาเรียนสมาธิิฐแล้วเรียนตามคําสอนครูเจ้าก็เข้าใจว่าอ๋อเราเห็นจิตแล้วเราก็ข่มจิตเรามันไม่ได้ข่มแต่ก่อนนี้มันไม่รู้เรื่องแล้วมันข่มเลยมันไม่เห็นจิตเราเลยมันก็ข่มไปตามสัญชาตญาณไปตามธรรมดานั่นเลยว่าไปทําไปสเปสปะแต่ตอนนี้เรามีสัญญาเรามีการกําหนดรู้เรามีการเข้าใจแล้วว่าจิตของเรานี่ตอนนี้ข่มนะและตอนนี้เรากำลังพิจารณาใช้ปัญญาตรวจสอบนะพิจารณาทำ ให้กิเลสมันลดบางจางคลายลงด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการข่มเราเห็นความต่างกันของการข่มข่มจิตกับการใช้ปัญญาแล้วปัญญามันสลายหรือมันทำให้กิเลสเราฟอลงกิเลสเราบางลงกิเลสเราดับไปด้วยฤทธิ์ของปัญญาเรารู้ว่าอำนาจของปัญญานี่มีอานาจที่จะฆา ก, กิเลสหรือทำให้กิเลสมันพ่ายแพ้มันดับ มันมียานอย่างนั้นจริงๆคุณมันต่างกันก็นไม่เข้าใจพลังของปัญญาด้วยไอ้นี่เราเข้าใจพลังของปัญญาว่าอ๋ปัญญาของเรานี่ยทำให้กิเลสของเราฝ a l ลงไปนไม่ใช่คมเราจะเห็นความต่างของปัญญาที่ทําให้กิเลสฝ a l กับพลังของการคมที่ทําให้กิเลสมันลดเราเห็นความจริงที่ต่างกันละเอียดอย่างนี้ด้วยนะนะเพราะงั้นคุณจะต้องศึกษาดีๆดีให้มันชัดชัด ยังแยกโลกนี้โลกหน้าไม่ออกอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วยังแยกมโนปวิจารณ์สิบแปดเป็นเกหะิตตากับเป็นเนคมาไม่ออกจริงๆริงนะแสดงว่ายังยังวนอยู่ในโลกจิญะนั่นแหละเพราะว่าเมื่อไม่เข้าใจโลกุตระไม่เข้าใจอยังโลโกปโรโลโกไม่เข้าใจโลกหน้าโลกนี้โลกหน้าเข้าใจโลกนี้โลกหน้าแบบเทวานิยนโลกหน้าคือตายได้ร่างกายก็ออกจากร่างไปสู่โลกหน้า ไอ้ยางนั้นเขาเขาเข้าใจนานแล้วลัตตาไม่ใชนานแล้วลุงนานแล้วรัตตาไอ้ยังเขาก็เข้าใจแล้วเขาเข้าใจทุกคนเขาเข้าใจหรือใครๆก็เข้าใจมันไม่ยากอะไรงั้นแต่ไอ้ประมาภิของพระเจ้านี่สีโลกนี้โลกหน้าที่โลกหน้าของพระเจ้าคือโลกโลกุตระโลกนี้คือโลกสามันของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปทั้งหมดเลยทุกคนอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกของปุถุชนทั้งนั้นจนมารู้ว่าอ้ออ่านออกหลุดพ้นออกจากโลกโลก โลกีเข้าไปสู่โลกหน้าคือโลกใหม่โลกอื่นประนิพพานว่าโลกอื่นหรือโลกใหม่หรือโลกหน้าโลกที่ต่างไปจากโลกนี้ได้เห็นความต่างเห็นความเข้าใจว่าไอ้จิตของเราที่มันวนอยู่ในอเรื่องโลกลาบยศสั้เสือมีสุขมีทุกข์แบบนี้โดยบําเบลกิเลสเนี่ยกับไม่ใช่แล้วนี่เราทําให้กิเลสมันลดแล้วเราก็ไปสู่โลกที่เบาลงว่างลงกิเลสพอลง มันมีญาณมีปัญญาเห็นนะพวกที่พูดนี่มันนามมาทำทั้งนั้นมันไม่มีรูปมีร่างมีเส้นมีสีมีแสงอะไรแต่มันรู้ของจริงที่เรากำลังทำจิตของเรามันได้เกิดกำลังเดินทางเข้าจิตกำลังมีลักษณะเข้าสู่โลกใหม่โลกโลกุตระหรือว่าปรโลโลกเข้าใจโลกนี้โลกหน้าไม่ชัดไม่รู้จักแล้วก็ทาไม่เป็นอย่าหวังเลย ว่าจะคุกเข่าให้อ่าเอา้ามีเพลงใช่ไหมอย่าหวังว่าเราจะคุกเข่าให้อ่าไม่มีทางเรอกอาตมาก็ใช้สมนวนโมหารเด่นไปอย่างนั้นแหละอยาหวังว่าจะบรรลุโลกุตระหรือบรรลุนิพพานไม่บรรลุรองมือเข้าใจแผนที่ทิศทางวันนี้นะเดินไปสู่ตรงนี้นะคือนิพพานนี่คือเมืองนิพพานนี่คือนี่คุณแผนที่ของคุณ มันไม่เข้าทางคนยังไม่รู้ทางเลยคนไม่รู้ว่าเมืองนิ้ผ่านอยู่ตรงไหนแล้วเป็นอย่างไรแล้วคุณก็สเปสศภาเดินไปแล้วหลงผิดด้วยนะนึกว่าไอ้เมืองที่ไม่ใช่นิพานเป็นนิพานหลงผิดด้วยไปงมจะไปแต่เมืองนั้นอยู่อย่างเดิมออาตมาก็ออกสงสารจริงๆไม่รู้ทําไงสงสารนั่นไม่ใช่ว่าไปดูถูกดูแคลนคุณว่าไม่เข้าใจโง่อะไรหรอกก็คนเรามันไม่เคยไม่ขยอยากโง่หรอก มันไม่มีใครอยากไม่รู้ไม่มีใครอยากไม่รู้อยากรู้ทั้งนั้นแหละแต่มันรู้ไม่ได้ก็ต้องสงสารอ่ะมันก็ไม่รู้จะทําทไงนะอาตมาก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็พูดไปส่วนคุณนั้นไม่ได้สงสารอาตมาหรอกอาจจะสงสารอย่างที่แม่พ่อแม่สงสารลูกอย่างทีท่ว่าน่ะแต่หนักเล่นว่าไอ้ลูกคนนี้เนาะมันโง่ ด, ดักดานยังไงอะไรไอย่างเงี้นะว่าไปไอ้โง่อะไรโงโงโงด้ว ย, ด, วยด้วยนะโงโงโก็อาจจะมีนิสัยอย่างพ่อแม่ที่ข่มลูกก็ได้ อแต่อาตมาก็แม้จะไม่มีลูกก็ไม่เคยไปข่มลูกเพะไม่มีลูกเลยจะให้ข่มไหมน้องพรเราไม่มีถ้ามีจะข่มหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันรักลูกมากก็เลยต้องข่มงั้นยังไม่รู้อาตมาไม่เคยเลยไม่ได้ลองเอไม่ได้ลองไปมีลูกแล้วก็ไม่คิดจะลองแล้วล่ะพราะมีลูกที่ไม่ต้องไปข่มก็ได้แล้วเอาทีนี้เอาตัวยาวๆอันนั้นคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าคงจะเอสเซเบสมาเมื่อฟังอาตมาแล้วมันม่ให้มันคันปากกันเลยมาสองสองข้อความสั้นๆ ตามามนั้นทีนี้ก็ทีนี้คงเรียบเรียงไว้ก่อนนะะั่นล่ะยาวขออภัยนะต้องยาวหน่อยต้องสองหน้าครึ่งเอี่ยมมาเรียงกันแล้วสองหน้าครึ่งนะไม่ต้องพูดเลยว่ากี่ร้อยข้อความนะก็เหนื่อยนะเหนื่อยนะกดขนาดนี้เนี่ยมึงยิงมอ ง, ง, ง, ง, งกันนะเอาอ่านดูนะเรียบเรียงไว้ดีนะฟังดูดีแต่แม้ ดูดีแต่มันผิดมันถูกมันเป็นได้นะเพราะฉะนั้นก็จะว่ากันไปสมัยที่เรายังเป็นเด็กนี่หมายถึงตัวเองนะคุณแปดเจ็ดชหน้าเราถึงตัวเองสมัยที่เรายังเป็นเด็กเล็กๆอายุสามสี่ขวบบ้านของเราอยู่ริมคลองอ่าเป็นนักประพันธ์คนหนึงได้ดีเลยนะเรานั้นได้ไปเล่นที่สะพานริมน้ําหลังบ้านโดยไปเขยา่ากระแผงที่ความอยู่บนบนบ น, บนเสาเอ่า ที่กลางสะพานแต่กระแปงนั้นลื่นและหมุนโครงเคลงเรานั้นจึงพลัดจึงได้พลัดตกลงไปในน้ําแต่จิตวิญญาณของเรามิได้ตกน้ําไปด้วยกับร่างนะเพราะเพราะกลับรู้สึกได้ว่าน่ไม่ได้ตกไปด้วยกับ น, น้านะเพราะกลับรู้สึกได้ว่ากำลังอยู่บนบ้า น, นจิตวิญญาณไม่ตกตกแต่ร่างอ่า การรู้สึกได้ว่ากำลังอยู่บนบ้านซึ่งในขณะนั้นเราก็ไม่ได้สำคัญว่าเรานั้นยังมีร่างอยู่หรือมิได้มีร่างอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ได้เห็นพ่อวิ่งมาที่หลังบ้านเห็นพ่อยืนมองไปที่สะพานและพ่อก็พูดในวุเล็บตัวเองว่าลูกตกลงไปในน้ำนี่บอกว่าลูกตกลงไปในน้ำนี่แล้วพ่อก็ถอดเสื้อออกและกระโดดลงไปในน้าเพื่อช่วยเรา ซึ่งเรานั้นก็จำได้แค่นี้เพราะไม่รู้ว่าเมื่อพ่องมร่างของเราขึ้นมาจากน้าแล้วจิตวิญญาณของเราเข้าไปอยู่ในร่างตั้งแต่เมื่อไหร่นะซึ่งที่เอาเรื่องของเราเองมาเล่าให้ฟังนี้ก็เพื่อจะบอกว่านีแหละที่เรียกว่าอัจฉตังอรูปะสั้นยีเอโกพัหิทารูปานิปัสติไม่ขัดมาเปี้ยเลยไม่ผิดศักดคำ สะกดมาถูกหมดเลยที่แปลว่าที่แปลว่าไม่สําคัญในรูปภายในในวงเล็บเท่ากับรูปของตนไม่สําคัญในรูปภายในนี้มีวงเล็บไว้ด้วยของความเห็นของคุณแปดเจส น, นาว่ารูปของตนไม่สําคัญในรูปภายในแต่ย่อมแต่ย่อมรู้แจ้งไม่สําคัญในรูปภายในแต่ย่อมรู้แจ้ง เท่ากับในในโมเลเท่ากับปัสติรู้แจ้งเนเท่ากับปัสสติรูปภายนอกได้นะไม่รู้รูปภายในแต่ไม่สำคัญไม่สำคัญมั่นหมายนั่นเองไม่สำคัญในรูปภายในนะของตนครูขงตนแต่ย่อมรู้แจ้งรูปภายนอกได้อธิบายว่าขณะที่เรานั้นไม่ได้ใส่ใจนะคือไม่ได้สำคัญนี่คือไม่ได้ใส่ใจในรูปภายในคือร่างของเราเอง ฟังดีๆนะร่างของเราเองเนี่ยบอกว่ารูปภายในแต่ตัวเองเนี่อยู่บนบกน ะ, ะจิตใจของของคุณแป่กใจุกหน้าอยู่บนบกและบอกบอกว่ารูปภายในน่คื อ, อที่อยู่ใตาม้ด้น้าไปแล้ว น, นี่อัตมาก็งเง้มก็ ว, ว่ารูปภายในมันก็รูปภายในก็คือร่างกายภายนอกตกเข้าไปในนั้นถ้าจะพูดแล้วก็คือจิตวิญญาณของคุณมันอยู่บ น, บนบกมันไม่ได้อยู่ในนั้นเลย แล้วมันจะเป็นภายในได้ไงรูปก็สิ่งที่ถูกรู้หรือเป็นสภาวะหนึ่งรูปะรูปังก็เป็นสภาวะหนึ่งที่มันอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแต่ตรงนั้นของคุณไม่มีแล้วมันอยู่บนบกแต่คุณก็ยังบอกว่ารูปนี่อยู่ภายในนั้นอ่ะนะคือไม่ได้ใส่ใจอันนั้นะไม่ได้ใส่ใจร่างที่อยู่ใต้น้ําเนี่ยว่าเป็นรูปภายในใช้คําภาษาว่าภายในด้วยนะคือร่างของเราเองร่างนี่เป็นรูปภายในนะหรือคือไม่สําคัญในรูปของตนแล้ว ไม่สำคัญในรูปของตอนแล้วมันขยายความอีกทีรูปภายในในพยายามจะอธิบายให้มันตรงกับภาษาพิจารแต่มันอาตมาดูแล้วว่าสภาว่ามันไม่ตรงแล้วน ะ, นะอ่ะาเถอะไม่เปไ็นไรก็ว่าไว้ก่อนที่อาตมาแสดงความเห็นยังแยงไปตามลำดับบ้างคือไม่สำคัญในรูปของตอนแล้วนั่นหมายความว่าขณะนั้นเรายังไม่มีรูปกายอยู่ด้วยขณะนั้นเรายังไม่มีรูปกายอยู่ด้วย นี่ก็แสดงความอไอรูปกายนี่นะมันหมายถึงรูปที่เป็นองค์ประชุมทั้งภายในและภายนอกรูปประกายอตมาอธิบายอธิบายมาเมื่อยองค์ประชุมกายแปลวองค์ประชุมของรูปนี่ก็คือถ้ารูปประกายแล้วจะต่างจากนา ม, มากายองค์ประชุมของนามคือเอาภายในทั้งหมดถ้าใช้คําว่ารูปประกกายแล้วจะรวมทั้งภายนอกและรวมภายนอกนี่นะ มีกายยืนยันแท้แต่อาตมายืนยันคำว่ากายเนี่ยเป็นนามธรรมมีจิตประกอบอยู่เสมอเพราะงั้นรูปกายก็จะต้องมีจิตของเราประกอบอยู่เสมอตัดจิตออกไปได้ซึ่งอธิบายอีกก็ได้ซ้ําอาตมาอธิบายแล้วว่าแม้แต่กระท้อนข้างหน้านี่กับเจ้าฟักข้าวนี่ยมันอยู่ข้างกันชิดกันอยู่เนี่ยมันสัมผัสกันอยู่เนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่มีนามมันมีแต่รูปมันสัมผัสกันยังไงยังไงมันก็เป็น ไม่ไปใช้รูปประกายมันไม่รู้ว่าไปเออเออเองมีน้ำวะกระท้อนมันก็บอกเจ้าฟักข้าวก็เลยว่าเออทำไมเองไม่มีน้ำล่ะมันก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีน้ำมันไม่มีนามมันรูปประกอบของมันไม่มีมันมีแต่รูปประรูปมันมีแต่รูปของรูปของรูปมันเท่านั้นมันไม่มีกายมันไม่มีน้ำมาทําอาตมาก็ยากที่จะอธิบายนี่เพราะว่าพูดไปแล้วว่าเมืองไทยมันซวย ตรงที่ว่าเอากายเนี่ยมาบวกเข้ากับร่างกายคนก็เลยคิดว่าคำว่ากายเนี่ยหมายถึงร่างหมายถึงร่างร่างข้างนอกโครงสร้างไม่หมายถึงนมามธทําเลยมันก็เลยยากที่จะทําความเข้าใจนี้กับผู้ปฏิบัติธรรมที่ขั้นปรมมัตินี้ได้นะฟังดีๆใครฟังเพิ่มครับตรงนี้เข้าใจเพิ่มก็ดีก็ดีนะนี่ขยายความซ้ําตรงนี้นะอัตมาเรามีประโยชน์นะเอาอ่านต่อ คือไม่สําคัญในรูปของตนแล้วนะั่นหมายความว่าขณะนั้นเราย่อมไม่มีรูปกายอยู่ด้วยอไม่มีขณะนั้นไม่มีรูปกายอยู่ด้วยเรานะว่าขณะนั้นเราย่อมไม่มีรูปกายอยู่ด้วยคงหมายถึงไม่มีร่างกายอยู่ด้วยคงมีแต่จใจเใช่ไหมมีแต่จใจอยู่ข้างบนนี้แล้วเมื่อกี้ก็บอกว่ารูปภายในนะไม่มีรูปกายแลือรูปอ๋อภายในคงเป็นรูปภายในคงไม่ใช่กายหมายของหมาย มันอันนี้บอกว่ารูปกายไงอันนั้นบอกว่ารูปภายในหมายความว่ารูปอันนั้นเป็นรูปในไม่ม่กายไม่ใช่กายเพอแยกนักกายเายานี่นยตกน้ำรูปภายในก็รูปกายเอ๊ะสับสนนะก็มาการเดียวกันเสียรูปภายในก็รูปกายที่คุณหมายอันเดียวกันนะ่ะแต่ความหมายมันสองอย่างนี้มันต่างกันน ะ, อะเอ๊ะอาตมาชักเมากับคุณไปแล้วหรนาน่ะมันวนไปวนมาวุ่นไปหมดเลยอ่า ถ้าได้กลายเป็นเกียวหวานแล้วเนี่ยเกลียวหวานแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันไปรอบไหนแล้วนี่หมุนไปมันไปหมดเลยนะนี่มันโอ้โหหมุนไม่เข้าเลยเนาะอาตมา ก, ก็เลยเป็นงั้นอนะ่ะเหมือนเกลียวหวาน ม, นมันหมุนไม่เข้าเลยมันไม่เข้ารอบเลยมันเฮ้ยมันไปไหนกันไปเนี่ยเว้ยงงอืงงงายนงคงมีแต่ใจนะเราย่อมไม่มีรูปกายอยู่ด้วยคงมีแต่ใจในเล็บมทะทักกมโนอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งใจหรือที่ชื่อว่านามกายนี่แหละนะพยายามจะบอกว่าใจนี่คือนามกายแต่เป็นที่เกิดแห่งจิตวิญญาณนามกายนี่ยเป็นที่เกิดแห่งจิตวิญญาณในเบเท่ากับมโนวิญญาณที่สามารถรู้แจ้งรูปภายนอกได้มโนวิญญาณหรือใจนี่นะสามารถรู้รูปภายนอกได้เมื่อกี้นี่บอกว่าไอ้ที่ตกน้าไปรูปภายในนะตอนนี้จะบอกจะอธิบายว่าตนเองในใจของตนเองไปเห็นรูปภายนอกได้ หเห็นรูปภายนอกเพราะฉะนั้นไอ้ร่างกายที่ตกในน้ำนี่ก็เป็นรูปภายนอกด้วยใช่ไหมแล้วมันไอ้รูปอันนั้นมันภายในภายนอกกันแน่เอาจะชัดนะตอบให้ชัดนะที่พูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้นอกกับในเนี่ยมันแล้วเปโมเมเป็นตัวเดียวกันอีกแล้วเห็นรูปภายนอกได้ว่างกันนะหรือคือเห็นรูปภายนอกได้เช่นเดียวกับด้วยจักขุวิญ ญ, ญาณเห็นเหมือนกับมีตาในจักขุบิญ ญ, ญา อีกทั้งฟังเสียงก็ได้เหมือนเรา จ, จากขู่วิญญาณโสตวิญญาณมก็ฟังเสียงได้เช่นเดียวกับโสตวิญญาณเป็นต้นซึ่งนั่นก็คือการรู้สึกได้ว่าเรากำลังอยู่บนบ้านในอุเทพทั้งทั้งที่ณที่นั้นก็มิไม่มีร่างของเราเรากำลังอยู่บนบ้านทั้งทั้งที่ไม่มีร่างไม่เทใจและโดยที่ไม่มีทั้งตาหูแต่เพราะด้วยจิตวิญญาณนี้เองก็สามารถที่จะเห็น พ่อวิ่งมาช่วยและแถมยังได้ยินเสียงพ่อพูดกับตัวเองนะอีกด้วยซึ่งหากเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์อย่างนี้แล้วเช่นโพธิรักษ์เป็นต้นก็ย่อมจะคิดไม่ออกว่าเมื่อไม่มีตาแล้วจะไปเห็นรูปได้อย่างไรหรือไม่มีหูแล้วจะไปได้ยินเสียงไปได้อย่างไรองค์เลขเปิดจึงต้องปล่อยให้พอตรองงมโขงกันต่อไปองค์เลขปิดและก็เพราะเหตุที่พอตร โพธิรักมีได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์มาด้วยไตรเหตุไตรเหตุุกะนะมิได้กำเนิดมาเป็นมนุษย์ที่เกิดมาด้วย ไ, หไหต inha, เรววไหเหตุุกะปฏิสนธินะโงเนบว่าเหตุุกะปฏิสนธิในมียานสัมปยุตหนึ่งสองอุบเบกขาสามอสังขาริกังหรอสังขาริกะนะเดี๋ยวก็อธิบายสามเหตุนี้เดีวก็ อ, อธิบาย คนที่รักจึงย่อมปราศจากสัมผัสที่หกคือมโนวิญญาณไม่ยอมทํางานนั่นเองมโนวิญญาณคืออาตมานี่ใช้มโนวิญญาณไม่เป็นนะมโนวิญญาณไม่ยอมทํางานไม่มีซิกเซนส์นะต้องพูดเป็นภาษาหัวหลังหน่อยสัมผัสที่หไม่ยอมทํางานนั่นเองฉะนั้นจึง ให้หน่าสงสารโพธิรักมากที่ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณนี้มีความสามารถแท้จริงเป็นเช่นไรโมเลปิดเปรียบเหมือนคนตาบอดที่ไม่เคยเห็นความงามของแสงจันเป็นต้นโมเลปิดนะโพธิรักจึงไปนึกเอาเองว่าเมื่อคนเราตายไปแล้วจะเหลือแต่จิตวิญญาณเท่านั้นหน้ำซ้ำยังต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในพบของตนของตน โดยไม่สามารถจะติดต่อหรือสัมผัสเห็นใครๆในพบในไหนได้อีกแล้วนะอันนี้ก็ชัดเจนนะอ่านมาเมื่อกี้นี่ฟังทางไครตาใจฟังดีๆชัดเจนว่าสัมผัสที่หกนะที่คุณนี่บอกสัมผัสที่หกคือหรือคือมโนวิญญาณเนี่ยของคุณแปดเจ็ศูนย์ห้าเนี่ยนะคือการรู้ภายนอกสัมผัสที่หกนี่คือการรู้ออก รู้ออกไปภายนอกนะและกายคําว่ากายของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่ก็คือร่างกายก็คือร่างหรือมหาพูทธรูปสี่เนี่ยนะนั่นะคือกายของความหมายของคุณแปดเจ็ดศูนห้าและผู้ที่สามารถมีสิกเซนนะมีสัมผัสที่หกเนี่ยอ่าก็จะสามารถไปเห็นกายที่เห็นมหาพูทธรูปนั้นได้อ่าแม้ไม่มีร่างกายของตอนเองแล้วนะ ตั้การ่างขงตนเองไม่มีแล้วมีแต่ใจเนี่ยสามารถไปเห็นอะไรได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สําคัญในรูปภายในนะที่ใช้สัพมาแล้วไม่สําคัญในรูปภายในจึงไม่รู้จักแม้กายในกายเรียกนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเผอว่าพูดใดนี่นะถ้าไม่สําคัญในรูปภายในไม่สําคัญคือไม่พยายามที่จะกําหนดรู้ สัญญานี่คือสำคัญมั่นหมายหรือกําหนดรู้ไม่ได้สําคัญในเรื่องของในภายในคือกายในกายก็ดีเวทนาในเวทนาก็าดีจิตในจิตก็ดีทําในทรรมก็ดีตามวิชาการของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่กําหนดรู้สูงนี้ที่แสดงความจริงออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยจึงย่อมไม่สามารถจะรู้นามกกายทั้งหลายได้จริงจะไม่รู้านามกายทั้งหลายเพราะว่าเป็นมุ่เอาแต่ว่ากายนี่คือร่างกายเพราะฉะนั้น ไม่รู้จักกายเพราะว่ามันกําหนดไม่สําคัญมั่นหมายทิ้งล่างเลยแล้วก็ไม่ได้เรรู้ข้างนอกอะไรพวกนี้นะซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยเหมือนพิสุสาติ์สาธิอ่าอย่างเนี้แล้วก็วิญญาณล่องลอย อ, ออกมาด้วยนะล่องลอยอย่างเนี้ยพิสุสาติเนี่ยแล้วก็ม่ได้นั่งรู้เก่งรู้งี้ซะวยนะมีตาทิพมีตาทองอะไรอะไรต่างๆนาน า, นานพวกนี้เลยนะอ่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาตมาว่าถ้าคุณศึกษาอย่างนี้คุณจะไม่รู้เลยคําว่า เช่นยกตัวอย่างนะกายนี่อาตมานํามาเสนอพยัญชนะนี่อาตมาไม่ได้แต่งเองนะเป็นพยัญชนะบาลีท่านมีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นกายยะกะลิกายกะลิเนี่ยมันหมายความว่าชัดๆก็คือกิเลสนั่นแหละกายเป็นโทษหรือสิ่งที่ชั่วช้าในกายของเรากายยกะลิเนี่ยแหละคือตัวร้ายก็คือกิเลสนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นและคุณจะรู้จักกายพวกนี้ได้ไหมเพราะคุณเพราะว่ากายมันคือร่างกายเท่านั้นและ ไอ้กายต่างๆที่บอกมันไม่เช็บเท่านั้นกายนี่คือนมามธรรมมันไม่ง่ายนะที่จะให้คนที่ไม่ยอมฟังคนอื่นเลยถ้ายอมฟังอัตมาว่าเข้าใจได้นะนะกายกะลี่กายปัสสัทธิอย่างนี้เป็นต้นก็เลยเข้าใจกายปัสสัทธิคือกายเนี่ยร่างกายต้องแข็งนิ่งเฉยนี่คือกายปัสสัทธิมันน่าสงสารนะกายปัสสัทธิคือองค์รวมของจิตเจตสิก ต, ต่างๆ อหรือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยสงบปัจติแปลว่าสงบเนี่ยนามธรรมต่างๆสงบแล้วไม่ได้หมายเขาว่ากระดุกระดิกไม่ได้จนไม่หายใจเอาเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เนี่ยลําบากน่าสงสารหรือกายอะไรอีกต่างๆนา น, นานเพราะฉะนั้นปฏิบัติกายานุปัสสนาก็ได้แต่ข้างนอกแน่นอนเพราะเข้าข้างในไม่ได้คนนี้เนี่ยนะ สูงไปกั่นั้นเลยอาการกายต่างๆกายดนหะกายตะปนะกายที่มันแสดงอาการเร่าร้อนกายที่มันกายที่มันลึกซึ้งเลยนะองค์ประชุมของจิตเนี่ยมันคล่องแคล่วว่องไวเรียกว่ากายยะปุณกายยะปาไม่ใช่กายปุณกายยะปาคุณยะตาที่อัตมาเคยเอามาใช้อธิบายเป็นนานแล้ว กายะปาคุณยตาหรืออันนี้คล้ายกันกับคำว่ากายกรร ม, มัญญาคือเป็นความคล่องแคล่วแห่งกายความเป็นของควรแก่การงานในกองเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยทางานได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยเลยว่ากายกายมีคุณสมบัติถึงขั้นกายกรรมมัญตาหรือกายปาคุณยตาไม่ควรจะรู้จักกายเหล่านี้มั่งไม่เนี่ยเพราะคุณตีทิ้งกายเป็นร่างกายเท่านั้นเอง เป็นกายข้างนอกเท่านั้นเองแล้วคุณเข้าใจคำว่า ก, กายยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรูปนามของคุณนี่ยังยังปนเปย์ยังเลอะเทอะกันอยู่เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่รู้นะยิ่งนามกายแล้วคุณเละเลยปนเละเลยมันเป็นนามกายคืออารูปท้านามกายหรือรูปคือในในนามธรรมานี่เป็นอารูปทั้งนั้นนะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยแต่เป็นปั้นเป็นรูปขึ้นมาพอจะใช้ดูก็กได้นะ ก็ได้แต่เราผู้ที่รู้จักโดยสมาธิทิฏแล้วเขาจะรู้ว่าไอ้พวกนี้เป็นมโนมยอัตตาเป็นอัตตาโดยสมมุติที่มันเออซึ่งกันมาเป็นภาพเป็นอะไรอะไรปั้นขึ้นมาดูแล้วมันยึดมั่นถือมั่นวันนี้เป็นของจริงเป็นของแทนด้วยอุปทานซึ่งแทนเป็นของแทนเนี่ยปลอมก็มีจริงก็มีจริงหมายความว่าคุณสามารถที่จะเคยเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เป็น หรือเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่ก็รู้ว่าอ๋อเรายังเป็นอยู่เรายังไมไ่ทิ้งอะไรเลยคุณก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีรูปกับนามต่างๆเนี่ยสุดยอดแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องของปัจจัยเหตุปัจจัยของรูปและนามสังเคราะห์สังขารกันอยู่เท่านั้นทุกอย่างศูนย์เป็นที่สุดะศูนยะ์เป็นที่สุดมันไม่มีอะไรจริงๆหรอก เพราะฉะนั้นจะสมมุติทสัจจะขึ้นมาเราก็รู้ทุกอย่างเป็นสมมติมดจริงๆแล้วปรมาิตยสัจจะสุดยอดคือศูนย์ไม่นี่อะไรหรอแต่เราไม่งมงายว่าจะต้องไปเชื่อว่าทุกอย่างศูนย์โดยที่เราว่าไม่เรียนรูร้เบื้องต้นตรงกลางบั้นปลายทั้งๆที่เรายึดอยู่อุปท า, านอยู่เราก็ไม่ล้างอุปท า, านนี้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าเราบรรลุแล้วอันนี้นะเวนห้าร้อยละลายเลยเอ เวน่าร้อยละลายเลยคุณเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ต้นอันนี้ไม่ใช่ต้นแม่นะอ่ะเอาทีนี้ต่อว่าคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกว่าไม่ใส่ใจแล้วในในใ น, ในเรื่องของอรูปภายในและรูปภายนอกที่ไปทิ้งออกไปไม่ใส่ใจนะนะไม่ใส่ใจแล้วอันนั้นว่างั้นนะนี่แหละคือความหมายคําว่าไม่ใส่ใจไม่สําคัญจึงหมดทาง ตอนแรกจะหมดทางแม้แต่รูปธรรมนั้นแล้วไปเข้าใจว่าเป็นภายในอีกไม่จะไม่รู้ภายในเลยเพอเป็นรู้แต่อย่างนั้นอขณะนี้มีสัมผัสที่หกนะที่จริงนี่นะสัมผัสหกกับสัมผัสที่หกเนี่ยต่างกันนะสัมผัสหกหมายความว่าสัมผัสทั้งๆหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าสัมผัสหก ถ้าสัมผัสที่หกนี่ว่า six sense หมายความว่าอย่างที่คุณคนนี้แหละพูดหมายถึงมันเป็นความรู้พิเศษนะสัมผัสที่หกเนี่ยมันรู้เกินจากตาหูจมูกลิ้นกายคือใจนี่เป็นที่หกใช่ไหมที่หกเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายนี่สัมผัสมันจะรู้เป็นของแบบเนี้ยแต่สัมผัสที่หกนะคือใจในสัมผัสนี่พิเศษนะมันไม่เหมือนอะไรเลยนะ มันจะเข้าใจคนนี้แหละคุณคนนี้แหละเข้าใจสัมผัสที่หกนี่คือมีเอเป็นการที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับตาหจูจมูกลิ้นกายเอาเพราะฉะนั้นมีแต่ใจเพราะใจนี่แหละคือรอยออกมาจากร่างกายเหมือนพิกสุสาติเข้าใจรอยมาจากร่างกายแล้วก็เอาแต่เอาแต่ใจนี่แหละร่องลอยไปนะแล้วก็ ไม่ใส่ใจแล้วร่างกายออีกหรือว่าทวารอีกทั้งหทั้งหไม่เกี่ยวเอาใจใจแล้วตอนนี้อจึงไปล่องลอยตัดขาดจากรูปกายภายนอกชัดนี่ตัดทิ้งเลยกายภายนอกตัดนี่คือลัทธิภิกษุสาติแท้ๆไม่มีทางจะรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมได้เลยคนผู้นี้ขอยืนยัน เพราะฉะนั้นก็จะเป็นหลงเอาตัวจิตที่ร่องรอยนี่ไปเห็นนั้นนไปเห็นนั้นนี่นี่นี้นี่อย่างงงอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะนี้เป็นลักษณะชนิดหนึ่งที่ขออภัยต้องใช้ภาษาอังกฤษนิดหนึ่งเป็นเรื่องของแมจิกแท้เลยนะมันหมายถึงพวกแมจิกคลีเป็นแมจิค้าต่างๆทั้งนั้นเป็นเรื่องลึกลับมาเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้ จะจริงหรือว่าไม่จริงก็เป็นเรื่องนอกรีดพุทธพันเปอร์เซนไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นถ้าเอาของคุณแปดเจ็ส่นห้าบอกล้านเปอร์เซ็นเลยมันไม่ใช่เรื่องของพุทธเลยเป็นเรื่องของฤษีคันธารีฤษีมาณิกาอาตมาไม่ได้บอกว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะอาตมาไม่ได้ปฏิเสธเอาเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่เป็นเรื่องนอกรีดเป็นเรื่องอย่าไปเอามาพูดเอามาอ้างมาอิงมายืนยันว่า น, นี่แหละของพุทธ ถ้าไปยืนยันแล้วก็จะเป็นหลงอย่างนั้นอยู่ไปศึกษาตามางั้นอนะ่ะเสียเวลาเลยคุณเลยนะมันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าไม่ได้ปฏิเสธเหมือนกันนะจะเป็นแม็กจิกยิ่งกว่า น, นี้วิเศษมหาสัจจันทร์ยิ่งกว่า น, นี้นะเป็นเรื่องแม็กจิคอลลียิ่งกว่า น, นี้ยังไงก็แล้วแต่อัตมาว่ามันผิดแล้วเป็นของฤาษีคันธารีของฤาษีมานิกาโนน เป็นลัทธิเดรัทธีนอกรีดนะเขาจะจริงงื้อไม่จริงเขาก็ยินดีชื่นชมช่อบไปอยู่กันอย่างนั้นคุณประเพลไปชื่นชอบอย่างนี้สแล้วเนี่ยอเขาก็ว่ามันเป็นประโยชน์แกเขาอลัทธินอกรีดเดรัทธีเขาอ้างกันอวดกันสอนกันเรียนกันโอ้มันเป็นเรื่องของ Mag ician. Mag ician แม็กจิเซียนแม็จิเซียนแท้ๆคือนักเล่นกลแม็กจิเซียนนี่แมจิก น, น, นี่แหละแม็กจิเซียนเนี่ยคือนัก เอาเรื่องพลิเรื่องนึกลับเรื่องนักเล่นกลจริงหรือไม่จริงไม่รู้ล่ะนักเล่นกลบางคนก็มีจริงนะบางครั้งก็ไม่ก็ไม่จริงแต่มันเป็นเรื่องที่เอาแต่เรื่องที่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องรู้ยากเป็นเรื่องไม่พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ยากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนศาสนาท่านไม่ใช่เป็นศาสนาของมันยากอยู่แล้วแล้วเอาเรื่องยากมาเล่นซับซ้อนกันแบบนี้อีกมีแต่หน้ามืดกับมืดหน้าเลยสองอย่างเลยมีแต่หน้ามืดกับมืดหน้าตาพื้เลยเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นอย่างนั้นน่ะพวกนอกรีดพกไมค์ิเชีนเขาเรียนกันนักเล่นกล น, นักบอลหลงไหลมหาสัจจันทร์พวกนี้เนี่ยไปเรียนกันออวดดีอวดเด่นกันเพราะงะั้นอย่าเอามาอวดดีอวดเด่นกับอาตมาเลยอาตมาไม่ยี่โจยเฮ้ยเท่าไหร่ฮาเมนี่ก็คุณหรอกอาตมาไม่ฮาวมนี่ยี่โอยเฮ้ยเท่าไหร่ไทยเป็นไทยก็เท่าไหร่ไม่ได้วยหรอก ไม่ฮาวไม่นี่กับคุณนะไม่ยีโจยกับคุณนะเพราะคุณจะเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณนะเก่งเท่าไหร่ก็อาตมาว่าไม่ยี่โจยเลยนะไม่ฮาวไม่นี่กับคุณนะนะมันไม่ใช่เรื่องของพุทธธรรมหรือว่าพุทธศาสตร์เลยมันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าอะเพราะว่าเรื่องของพระพุทธเจ้านั้นไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยท่านบริภาธเลยนะอะท่านบริภาธเราด้วยบอกว่าชิชกุตฉาญติหรือชิกุตฉามิ หารายติหรือฮารายมิอัตยายติหรืออัตยามิท่านสุดจะเกลียดชังสุดจระระอาเลยหน่ายนักหน่ายหนาเลยอัตมาก็ขอกำชับว่าเอาน่คุณแปดจ็ดศนหน้าศึกษาดีๆหน่อยอาทีนี้ต่ออีกโอ้โหนี่มันจะไปเกือบชั่วโมงแล้วนะเนี่ยอีกหน้ากว่าเนี่ยต่อ ฉะนั้นนะคุณแปดเจ็ดศนย์ห้าเล่าต่อฉะนั้นเพื่อที่จะช่วยโพธิรักให้หายโง่คำก็โง่สองคำก็โง่แม้อัตมานี่ต้องยอมรับซะแล้วล่ะว่าอาตมาเป็นบุคคลผู้โง่ประจำชาติไม่ใช่ประจำปีไม่ใช่ประจำเดือนด้วยนะประจำชาติเลยเป็นผู้โง่ประจำชาตินะฉะนั้นผู้ที่จะช่วยโพธิรักให้หายโง่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณ น, นี้จึงขอแนะให้โพธิรักลองไปฝึกดูลมหายใจเข้า ออกอีกครั้งให้ไปหัดฝึกดูลมหายใจเข้าออกโดยที่ต้องฝึกจนกระทั่งลมหายใจที่เข้าและออกแต่ละครั้งนั้นกินเวลาเนิ่นช้ามากๆคือตั้งแต่เริ่มหายใจเข้าจนกว่าที่จะสุดนั้นต้องกินเวลาให้นานนานมากถึงหนึ่งนาทีให้ได้และเมื่อสุดหายใจเข้าแล้วลมก็จะหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นถึงเริ่มจะหายใจออก และกว่าที่จะสุดหายใจออกก็ต้องกินเวลาให้นานมากถึงหนึ่งนาทีให้ได้เช่นกันซึ่งลมก็จะหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเริ่มลมหายใจเข้าออกอีกครั้งซึ่งโพธิรักน่าจะฟุงฟ้งฝอยธรรมะในมะเล็บหยุดโม้ไว้ก่อนแล้วลองหันกลับมาเริ่มต้นปฏิบัติแบบพระบวชใหม่อีกครั้งหากสามารถจะฝึกจนลมหายใจที่เข้าหรือออกแต่ละครั้ง กินเวลาเนื่นช้ามากๆเหมือนอย่างที่เราแนะให้นี้ได้ละก็กรันตีได้เลยว่าโพธิรักษ์จักสามารถเห็นเทวดาจริงๆในอีกมิติหนึ่งได้คุณเล่นมามากเท่าอาตมาหรือเรื่องเห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกเห็นพระพรหมเนี่ยอาตมาเล่นมาแปดปีแปดปีนะจ๊ะแต่เล่นแต่เป็นคาวาส นะไอ้เล่นแบบนี้แหละเราไปจนเรื่องเห็นเทวดาเนี่ยห ล, ลับตานั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละอาตมาไม่ถึงจระเข้หรอกไม่ต้องสอนให้อาตมาว่า้น้ําเท่าไรก็ได้นะอาตมาแค่ประสิวแค่นั้นแหละไม่ถึงจระเข้หรอกพอไหว้น้ําเป็นนะ <c oughs> จะสามารถเห็นเทวดาจรงิงๆในอีกมิติหนึ่งได้ทั้งๆที่ยังหลับตาอยู่นี่แหละนะหลับตาอยู่นะเห็นเทวดานะ เพราะนั่นเป็นการเห็นด้วยจิตวิญญาณหรือสัมผัสที่หกโดยเฉพาะนี่แน่นี่แน่ซิเซเจ็งวะไปเมาที่สัมผัสที่หกไม่มาเรียนสัมผัสหกเวลเลยเวลไม่บรรลุขอยืนยันเพราะไปเมาที่สัมผัสที่หกซะแล้วนี่จับได้แล้วว่าออสัมผัสนี่เป็นสำคัญที่สัมผัสที่หกซิกเซ์ แต่ไม่มาเรียนสัมผัสหกตาหูจมูกริ้นกายใจที่มีสัมผัสแล้วก็เรียนรู้จิตวิญญาณหรือจิตใจที่เกิดจากสัมผัสหกนี่แหละเพราะฉะนั้นแทนที่จะบอกให้อัตมามานั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนกระทั่งเห็นเทวดาเนี่ยคุณไปเรียนสัมผัสหกให้ดีๆแล้วคุณจะเห็นเทวดาจริงจริงอัตมาเห็นเทวดาจริงเพราะมาเรียนสัมผัสห ก็เลยเห็นเทวดาจริงแต่ก่อนอาตมาเป็นเล่นไอ้พวกนี้อยู่เนี่ยตั้งแต่แปดปีโ น, น่ะอาตมามีสัมผัสที่หกอย่างที่คุณแปดเจนย์ห้าว่าอาตมาโง่นี่แหละอาตมามีแล้วก็ทามาจนคนขึ้นนะใช้สัมผัสที่หกเนี่ยโอ้ทายเลขยังทายเลยบอกหวยก็ยังบอกเลยแต่มีผิดนะที่องตอนนั้นะมีผิดมีถูกนะอ่า ่ายของหายย่งทายเลยทายว่าวิญญาณคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรคนนี้ เ, เกิดเป็นอะไรอาตมาทายอาตมาถือว่าทายแต่ตอนที่เล่นตอนนั้นแปดปีไสยศาสตร์อยู่นั่นนะ่ะอาตมาก็เล่นสัมผัสที่หกที่คุณว่านี่แหละคุณจะเล่นเท่าอาตมาหรืออาตมานี่มีคนขึ้นนะมีลูกค้าน ะ, ะคุณได้ทาเท่าอาตมามาคุณมีลูกค้าพอาเท่าอาตมาเปล่า ขออภัยไม่ได้พูดคมหรอกไอ้สิ่งจริงผ่านมาอาตมา ก, ก็เอามายืนยันเท่านั้นขออภัยนะถ้าจะเป็นรู้สึกว่าอาตมาคมกคงคมไม่ลงหรอกเพราะว่าคุณเองคุณแข็งคมไม่ลงอาตมาเนี่ยคมเจ็บมือเจ็บเสียงด้วยนะ้าเอาต่อนะจิตวิญญาณหรือสัมผัสที่หกโดยเฉพาะและขอบอกด้วยว่าการเห็นด้วยจิตวิญญาณนี้พิเศษพิเศษ กว่าการเห็นด้วยจักขคูวิญญาณานะนะลูนลูนาะน่าเคยเล่นมานะเคยเห็นเคยเป็นมานะาพิเศษกว่าเห็นด้วยจักคูวิญญาณเพราะด้วยตาเนื้อธรรมดา น, นั้นจะเห็นรูปได้ก็เฉพาะรูปที่อยู่ข้างหน้าคือไม่เกินร้อยแปดสิบองศาเท่านั้นโอ้โหอธิบายเก่งตาเห็นนี่เห็นได้แค่ร้อยแปดสิบองศานะอย่างกว้าง แต่ส่วนจิตวิญญาณหรือสปาร์ตที่หกนี้จะเห็นได้สามรอยหกสิบองศานี่แน่นี่แ น, น, น่เห็นรอบชิดเลยไม่ต้องหันหน้าหันหลังไปก็เห็นหมดเพราะไม่มีหน้ามีหลังใจมันโอ้โหเห็นรอบชิดเลยตารอบตัวคือสามารถเห็นรูปไม่สงสัยนะอาตมาไม่เถียงนะไม่สงสัยเพราะว่าอาตมาเล่นมาหมดแล้วอย่างเงี้ยนะไอเรื่องแม็กจิกพวกนี้อาตมาเล่นมาทั้งนั้นสามารถเห็นรูปในได้รอบชิดพร้อมกันเลยชิ้ดเดียว ซึ่งนี่แหละที่เรียกว่ารูปีรูปานิปัตสตินั่นนั่นห้างภาษาวิชาการซะด้วยว่านี่แหละการเห็นด้วยการเห็นรูปีก็คือรูปรูผู้มีรูปรูปานิคือรูปทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้มีรูปนี่จะเห็นรูปทั้งหลายทั้งหมดรูปีรูปานิมันแปลว่างนี้เห็นคำเนี้ยถ้าผู้ใดที่รู้จักรูปและมีรูปขณะมีรูปถ้ามีแต่นามันไม่มีรูปนะทีนี้มีรูปอยู่ด้วย ก็จะเห็นรูปด้วยจึงเรียกว่าต้องเรียนรู้รูปวิมารอวิโมก8แปดข้อที่หนึ่งนี้รูปีรูปานี้ปัสสตินี่คือท่านให้รู้ว่ารูปก่อนนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีรูปจงเรียนก่อนเห็นรูปรูปทั้งหลายรูปนานาเลยทั้งหลายที่ถูกรู้แม้แต่นามรูปอันเดสตูตรงนี้ไว้รูปตรงนี้ คำมรูปคำนี้ทั้งรูปารูปะทั้งนามะรูปะนามมรูปก็มีรูปารูปก็มีทั้งคู่ถ้ามีรูปต้องเห็นรูปอย่างนี้ได้แต่ข้อหนึ่งท่านยังไม่ได้บอกลึกไปข้อสองวิโมกแปดข้อสองท่านถึงจะบอกอัจฉตังอรูปะสัญญเอกโอพระหิทารูปานี้ปัดสติให้เห็นหมดเลยทั้งรูปภายในขั้นอรูปก็ต้องกําหนดรู้นะอรูปะสัญญอัจฉตังภายใน ของตนนะอย่าไปเห็นของคนอื่นเอโกแต่ไปแปลเอโกผู้เดียวหรือผู้หนึ่งเอโกนี่คือโดยชนตนโดยตนเองของตนของตนเองเห็นของตนเองในภายในเนี่ยอรูปอัดชัดตังเนี่ยอัดรูปถึงขั้นอัรูปนะมันมีทั้งรูปมันมีทั้งกามันมีทั้งรูปมีทั้งอัรูปเห็นให้หมดพระหิทธารูปานี้และรูปทั้งหลายภายนอกสรุปแล้วต้องเห็นทั้งรูปภายนอกทั้งหลายทั้งหมดและรูปภายในทั้งหมดไปถึงอัรูป นี่คือข้อสองของวิโมุกแปดอาตมาอธิบายแถมไปก่อนผู้มีรูปย่อมรู้แจ้งเท่ากับปัสจติรูปได้ผู้มีรูปยอ่ปปมปยอมรู้แจ้งได้เขาแปลปัจจติว่ารู้แจ้งไม่เสียงหรอกดีแปลว่านี้ก็ดีรู้แจ้งผู้มีรูปรู้แจ้งได้รู้รูปอะไรอาตมาขยายแล้วรูปีรูปานนี้ปัจสติอธิบายว่าผู้มีรูปหมายถึงว่าเพราะผู้นั้นยังสําคัญ ก็เลยไปเข้าใจไปแปลว่ายังสําคัญในรูปภายในในอุบรูปของตนอยู่ก็ไปคุณแปดจ็สูนาก็อธิบายต่อว่าผู้มีรูปนี่หมายถึงว่าผู้นั้นยังสําคัญรูปภายในของตนผู้มีรูปยังสําคัญยังสําคัญว่ารูปนี้เป็นตนเป็นของตนรูปนี้เป็นของตนอยู่อผู้มีรูปเนี่ยหมายคือขยายความว่าผู้มีรูปไงผู้มีรูปนี่ยังยึดรูปยังเป็นรูปสําคัญว่ารูปนี้เป็นของตนอยู่ ยังสําคัญรูปภายในของตนอยู่ฉะนั้นผู้นั้นจึงย่อมมีทั้งนา ม, มากายและรูปากายด้วยผู้นั้นเลยมีทั้งรูปทั้งนามมีรูปกายนามกายด้วยวงเล็บเปิดคือไม่ใช่มีแต่นามกายอย่างเดียวมีทั้งรูปและนามสําคัญรูปร่างกายด้วยไงส่วนที่ว่าย่อมรู้แจ้งในะงเล็บปัสติรูปได้นั้นคือย่อมรู้แจ้งทั้งรูปภายในในะงเล็บคือรูปกายของตน รูปกายด้นการของตนและย่อมรู้แจ้งรูปภายนอกคือรูปอื่นๆ น, นี่คือทุเรียนมังคุดลังศาสตร์พวกนี้รูปภายนอกอื่นจากรูปกายของตนเช่นเห็นเทวดาเนี่ยเทวดาเป็นตั ว, ตวหนึ่งต่างหากแทนที่จะเอโกรู้เทวดาในตัวเรานะก็ไปพยายามนี่แหละเป็นเรียนรู้ข้างนอกเห็นเทวดาได้หรือได้ยินเสียงเทวดาเป็นตน้นแม่ขนาด เสียงในโลกมนุษย์นี่นะยังโอ้โหทั้งรูปในโลกมนุษย์นี่ยังจะบุนจะตายเลยยังไปเอาเสียงที่ในโลกเทวดามนุษย์ที่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ไม่เห็นอีกนี่นะเก <c oughs> ่งเนาะ <c oughs> ไม่ปวดหัว <c oughs> อ่าได้ยินเสียงเทวดาไปจนถึงตอนนี้จึงต้องย้ํากับโพธิรักษ์เสียก่อนว่าคําว่าปัตสตินี้กินความทั้งเห็นภาพได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสและรู้ธรรมารมด้วย ตกลงถูกต้องอันนี้เห็นโดยกันถูกต้องไม่เถียงไม่แยง้งคุณพูดอันนี้ถูกฉะนั้นถ้าจะไปแปลปัตติว่าเห็นเดี๋ยวชาวพุทธทั่วไปก็จะนึกว่าไม่เกี่ยวกับเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมารมดีมากอันนี้แนะนำได้ดีอัตอมาเห็นด้วยปัตติไม่น่าจะแปลว่าเห็นเท่านั้นน่าจะแปลว่ารู้แจ้งดอีอันนี้เห็นด้วย เพราะว่ามิใช่มีแต่ภาพเรเรียกเท่ากับแสงสีที่เห็นได้ด้วยตาถือว่าเป็นรูปเท่านั้นเพราะยังมีเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมก็ถือว่าเป็นรูปด้วยกันทั้งสิ้นโอ้ดีมากเลยอันนี้เป็นความเห็นที่อาตมาอนับถือนับถือนาดีเป็นความเห็นที่ดีเห็นด้วยอาตมาก็เข้าใจนะขออภัยนะที่บอกว่าตัวเองเข้าใจเนี่ยมันไม่ได้โง่ขอแย้งคุณหน่อยนึงพอเข้าใจนะเห็นภาพได้ยินดมกลิ่นริ้มรส รูส้สัมผัสและรวมทั้งรู้ธรรมารมด้วยนั่นเองส่วนบาลีที่ว่าตอนนี้สุพันเตวะอธิมุตโตโหติก็หมายถึงเมื่อเข้าถึงวิมุตต์แล้วนะสุพันเตวะอธิมุตโตโหติโมกมวิโมกข้อที่สามนี่นะก็บอกว่าเมื่อเข้าถึงวิมุตต์แล้วบรยาาบรยากาศบรรยากาศจึงย่อมจะงดงามาเมื่อเข้าถึงวิมุตตบรรยากาศจึงย่อมจะงดงาม คือท่านแปลว่าอสุปันเตวะทิโมโตโฮติเนี่ยอน้อมใจไปในในคําว่างามน้มใจในในงามท่านแปลถืออย่างเงี้ยเาจะมาจำภาษาของท่านไม่ได้ทั้งหมดที่ท่านแปลในพระเจ้พิดก่ะเอน้อมใจไปในคําไปในความอะไรคําว่างามหรือน้อมใจไปในงามนี่แหละคําว่า ง, งามอ่ะสุภาเนี่ยฮะใครจำได้น้มใจไปใน อะไรคําว่างามอะไรไปรู้นะเอาเอาเอาเรผ่านไปก่อนนะแปลว่าย่อมจะงดงามน่าเรื่อนรมเสมอพอมาพูดถึงวีมุดแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าแมมันน่าเรื่อนรมไอ้ที่จริงมันใช้ได้นะเพราะว่าสุพามแปลว่าสิ่งที่น่าพึงใจนสิ่งที่เลิศสิ่งที่งามสิ่งที่เป็นโชคเป็นโชคที่ได้อันนี้มีอันนี้เป็นอันนี้ได้วีมุดเนีโอ้โหมันเป็นโชคมันเป็นสิ่งที่ หน้ารื่นรมหน้าที่งดงามหน้ารื่นรมถูกต้องอันนี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผิดหรอกนะอ่าก็เข้าใจดีอยู่นะอ่าก็เสียดายอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะว่าคุณนี่ก็แนะนํามานี่ละเอียดดีนะแม้แต่เขาบอกว่าเ อ, อวิมุตตินี่มันเป็นสภาพที่งดงามหน้ารื่นรมอาจจมันก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าสุภาพนี่ก็เข้าใจอยู่เป็นหน้าพึงใจเป็นเรื่องเป็นโชคแล้วถัดใครได้อันนี้แต่ข้อสําคัญที่ว่าแล้วมันวิมุตต์ เป็นสมาธิถิหรือเปล่านี่สินะคนฉลาดนี่นะฉลาดมีมากแต่ว่าเสดายที่มิฉาทิฐิเนี่ยฉลาดมิฉาทิฐิเนี่ยมันก็ไปยึดเอาอะไรที่นึกว่าจริงนึกว่าถูกต้องได้เนกันเหมือนกับที่บอกว่าบุตุชนมีมิมุตินี่แหละนี่อันหนึ่งที่ผู้ผ่านมาแล้วอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็อธิบายนี่ก็ดีนะแต่ว่าแหมฉลาดนะพอได้แต่น่าเสดายที่ทิฐิมัน น่าจะให้สมาสมากว่านี้เราก็จะดีอาคุณแปดศูนย์เจ็ดแปดเจศนห้าว่าต่อว่าสรุปว่าที่เราอธิบายบาลีในวิโมกษสามที่ยกมานี้ก็เพื่อให้โพธิรักษ์ได้เห็นถึงความแตกต่างไปจากโพธิรักษ์อย่างไรชัดจะ้ะคุณอธิบายมาชัดแล้วว่าคุณเข้าใจอย่างไรอาตมาเข้าใจอย่างไรชัดจริงๆเห็นต่างจริงๆเพราะฉะนั้น ถ้าคนยืนยันว่าคุณถูกอัตมาผิดแน่นอนคุณจะต้องยืนยันว่าอัตมาผิดแน่นอนและเช่นเดียวกันพอเข้าใจนะจะยกตัวอย่างกลับอัตมาเชื่อวออ่า น, นี้ถูกอัตมาก็เข้าใจว่าคุณว่าผิดเหมือนกัน the same. ิเซ e แปะหยาเรื่องภาษาต่างๆ น, นิดหน่อยออ่า ได้เห็นความแตกต่างไปจากโพ ธ, ธิรักษ์อย่างไรแต่ที่สำคัญกว่านั้นเรานั้นเห็นโพ ธ, ธิรักษ์ปฏิบัติผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมานานจนอายุเจ็ดสบเกาปีแล้วถ้าเป็นพุทธเจ้าก็ใกล้จะปรินิพานแล้วแต่โพ ธ, ธิรักษ์ยังไปไม่ถึงไหนเลยจึงอยากจะชี้แนะว่าหลักของการปฏิบัติวิปัสสนาก็เปรียบเหมือนกับการเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นนักยกตัวอย่างเก่งจริงๆนะ เหมือนกันการเล่นกระดานโต้คลื่นซึ่งผู้เล่นมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวฟังดีๆนะกระดานโต้คืมีหน้าที่อย่างเดียวคือจะต้องยืนอยู่บนกระดานโดยไม่ให้ล้มคว่ำได้น่าไม่อธิบายมาทุกถูกน ะ, ะแน่นอนที่ยืนกระดานโต้คลื่นมันมันมันยืนอยู่บนนั้นได้ความลงไปก็ลงทะเลแหละคลื่นแต่ละลูกที่ทยอยถาถมกันมาเข้ามาลูกแล้วลูกเล่าก็เปรียบเหมือนกับอารมณ์มันเกิดจากผัดสะ โอ้โหอธิบายดีจังเลยแต่ตัวเองปฏิบัติมีปัสสาวะหรือเปล่าเออมันดับปัสสาะหมดแล้วเนี่ยมันมันเปล่ามันถาถมก็ามานะ่ยคุณก็เข้าไปอยู่ข้างในนะ่ะเล่นอธิบดีมดก็ะเยอยู่ข้างในนะ่ะคุณพูดดีดีแต่คุณปฏิบัติดีมากสักนิดได้ไหมให้มันถูกตามที่คุณพูดหน่อยได้ไหมดันพูดถูกแต่ปฏิบัติผิดอยู่อย่างนี้แล้วเมื่ อ, อไหร่มันจะไปถึงไหนกันจ้า ก็เปลี่ยบเหมือนกับอารมณ์เกิดจากผัสสะที่เกิดขึ้นอารมณ์แล้วอารมณ์เล่าผู้ปฏิบัติจึงมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือเอาสติเข้าไปะระลึกรู้ให้ทันกับอารมณ์เฮมันมุดเข้าไปเลยนี้ให้ทันกับอารมณ์ทำให้การอากระล์ทั้งหลายที่ไหลบ่าเข้ามาในนั้นอย่างต่อเนื่องโดยระวังมิให้เผลอเกิดเป็นความยินดีหรือเกิดเป็นความยินร้ายขึ้นครอบงาจิตของตนจนล้มคว่าได้ จิตยินดียิ่งยินร้ายมันไม่พาล้มคว่ำหรอกไอ้คลื่นมันมาเหลี่ยมนั้นเหลี่ยมนี้ที่จะต้องรู้มันนี่แหละมันพาล้มควม่ำคุณเอ้ยสมมุติโมเมเป็นหลอกคนที่เด็กๆก็เป็นได้แต่หลอกคนที่รักไม่ได้หลอกจับแพร่มาชนแก่แล้วก็อธิบายปนเป่งเงี้ยไปถามคนโตคลื่นน่ยคร์เตอร์เขาหลับตา ม, มุ่งจะอยู่ข้างในอย่าไปรู้นะ้ไ อ, อ้คลื่นมันมายังไงอย่ารับตั้งจิตที่เป็นสมาธิ ด, ดีสมาธินี่คือ หมายความว่า <ME> <AN> <AL> เข้าไปข้างในอย่างที่คุณนี่พูดอย่าไปรับรู้ข้างนอกไม่มีภาษาหกเข้าไปหยียรู้เรื่องอัตมาว่าล้มคว่ำกลางทะเลนั่นแหละมันต้องรู้เลยทั้งนั้นเลยว่าคลื่นมันมาใหญ่เท่าไรมาเหลี่ยมไหนรูปไหนร่าไหนแล้วเราจะต้องตั้งรับศูนย์ทวงตั้งรับเรเอร์ตีต่างๆของมันนี่ให้มันตั้งได้ยังไง ร, รับอันนี้มันถึงจะตั้งอยู่ได้ มันต้องระวังอย่างนั้นนะจ๊ะโอ้ยางหน้าของศาลเนาะมันสับไปสับมาของคุณแปดเจ็ดูนห้าเนี่ยอ่าจึงจะมีหน้าที่เป็นอย่างคือเอาสติเข้าไประลึกรู้ให้ทันกับอารมณ์ทั้งหลายที่ไหลบ่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยระวังไม่ให้เผลอเกิดเป็นความยินดีหรือเกิดความยินร้ายไปหาประมาติลึกถึงขั้นปรมาตลึกแล้วนะตัวที่บอกอ่าน เวทธนามีอิทธิ อ, อ, ท อ, อ, อะไ ร, อ า, รอานิทรารมเนี่ยเป็นอารมณ์สุดท้ายว่าถ้ายังมีความยินดียินร้ายอยู่นี่อาการหยาบกลางละเอียดเท่าไรเนี่ยต้องไม่ให้เหลือเลยนี่เป็นปรมาติตปลายแล้วนะนะโอ้โหและไปเห็นอยู่อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้อยู่โต้คลื่นนั่นนะอัตามาว่า เอคุณไม่ได้ยืนอยู่บนใบไม้กระดานโตคลื่นหรอกอความยินร้ายขึ้นครอบงำจิต จ, จนจนล้มคว่ำได้จึงเป็นอุเบกขาที่เฉยรู้นั่นอธิบายอย่างนี้ด้วยนะจึงเป็นอุเบกขาที่เฉยรู้มิใช่เฉยเด้อเพราะหลับตาปีเอาอีกแล้วหลับตาปีอีกแล้วอ่าเพราะไม่ใช่เฉยเด้อหลับตาปีก็ต้องมามองข้างนอกเห็นไหม แล้วคุณจะเอาข้างนอกหรือข้างในกันแน่ไอสมาธิหรืออุเบกขาของคุณเนี่ยอุเบกขาของอาตมานี่มันอยู่ข้างนอกนะรู้ข้างนอกนะจะบอกในหะ้อุเบกขาของอาตมานี่รู้ข้างนอกนะอทําไมรู้ข้างนอกเดีย๋ยวอาตมาจะได้อธิบายเพิ่มอ่ plateau. Plateau. อุเบกของขาของเรามาไม่ไม่ไปไปอยู่ข้างในหรอก จึงเป็นอุเบกขาที่เฉยรู้ไม่ใช่เฉยเด้อเพราะดับตาปีเหมือนอย่างที่โภธิร์เข้าใจเอาเองด้วยความโง่เขลาของตนก็หาไมาอ้าวอาตมาก็ต้องจำยอมรับว่ามันโง่เขลาและซึ่งคําว่ารู้ในเฉยรู้ในเฉยนี้ย่อมหมายถึงสติรู้ในเฉยนี้ย่อมหมายถึงสติมมสตที่สามารถระลึกรู้ได้ทันกับอารมณนะ์ปัจจุบันนั่นเที่ยว ซึ่งผู้ที่เล่นกระดานโต้คลื่นนั้นย่อมต้องจดจ้องอยู่กับลูกคลื่นเอาอีกแล้วบอกไปไปอยู่ข้างในสติมันต้องไปจดจ้องอยู่ข้างครอบงาําอย่าให้มันไปดูที่ใจอย่างเดียวปฏิบัติจึงมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือเอาสติเข้าไปะระลึกรู้ให้ทันอารมณ์อยู่ข้างในอย่างต่อเนื่องระวังไม่ให้เผลอเกิดกับนิอรรมยนไปอ่านนะยินดีหรือเกิดความยินดียินร้าครอบงำเจิดให้ล้มคว่ำได้จึงเป็นอุบ เ, อเบกขาที่เฉยรู้ มิใช่เฉยเดอเพราะรับตาปีเหมือนอย่างที่โพธิรัตเข้าใจเอาเองด้วยความโง่เขลาของตอนก็หาไม่และซึ่งคำว่ารู้ในเฉยรู้น่ะรู้ในเฉยรู้นี้ย่อมหมายถึงสติที่สามารถระลึกรู้ได้ทันกับอารมณ์ณปัจจุบันนั่นเทียวน่ะรู้ทันอารมณ์ที่จริงอธิบายอันนี้เนี่ยถ้าพูดกันจริงๆเิมันก็ถูกนะน่ะรู้ทันอารมณ์เนี่ยนะ่เป็นสภาพของจิตที่มีชาวณจิตมีจิตที่เร็ว และจิตนั้นของเราเป็นมุทุปูตธาตุเป็นธาตุในอุเบกขาหนึ่งในห้าปริสุทธาปริโยาตามุทุกรัมรมัญญาประพัสราหรือในขณะ ร, รมฌานก็มนะีปริโยธาเตมุมทุปูเตกรัรมริเยติเตอเนชัปเตเหมือนกันมีมุทุปูเตเหมือนกันมีมุทุมีจิตที่เป็นจิตอ่อนไวเร็วนะจิตนี้จะเป็นจิตที่ เป็นจิตที่ sensible นเป็นจิตจิต s e n i b l e ง่ายเร็วนะรู้รอบรู้อะไรด้วยนะ sensible นี่จะลึกซึ้งกว่า sensitive นิดหน่อยนะ sensitive นี่มันก็หมายถึงจิตเท่านั้นที่เร็วแต่ sensible นี่มันจะกว้างมีการพิจารณามีการรู้อย่างรอบขอบมีการอ่านมีการจัดสรรอย่างถูกสั์ถูกส่วนถูกเหตุถูกผลอะไรด้วย น่าเซ็นสิบเลนี่มันมีลักษณะพวกนี้ด้วยนะสามารถระดึกรู้ได้ทันกับอารมณ์ในะปัจจุบันนั่นเทียวซึ่งผู้ที่เล่นกระดานโต้คลื่นนั้นย่อมต้องจดจ้องอยู่กับลูกคลื่นไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นๆใดๆชั้นใดนะเอาอีกแล้วกลับไปไปอยู่ในในจิตอีกแล้วอ่านะย่อมจะต้องจดจ้องไม่มีเวลาไปคิดอย่างอื่นจดจ้องลูกคลื่นหรือว่าไปอยู่ในอย่างเดียวเมื่อกี้นี่บอกเนี่ย ถึงมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือเอาสติเข้าไปรู้กับทันอารมณ์แล้วก็ออกมารู้ลุกขึ้นอีกแล้วนะมาไม่มีเวลาคิดไปถึงเรื่องอื่นใดชั้นใดผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาก็าฉันนั้นเหมือนกันเพราะจะต้องฝึกสติระลึกรู้ให้ทันกับอารมณ์ณปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้นจึงไม่มีเวลาไปคิดไปนึกหรือไปอ่านเอาเรื่องตามวิชาความเข้าใจ แบบโพธิรัตดอกมิฉะนั้นแล้วย่อมจะถูกคลื่นแห่งอารมณ์คือความยินดียินร้ายเข้าท่วมทับจิตของโพธิรัตได้เปรียบเหมือนกับผู้เล่นกระดานโต้คลื่นที่หากไม่จดจ้องอยู่กับลูกคลื่นให้ดีแล้วก็ย่อมจะพลัดตกจากกระดานและถูกคลื่นท่วมทับได้นั่นเองซึ่งวิธีวิปัสสนาก็มีอยู่แค่นี้แหละส่วนการที่จะมรรู้ได้เมื่อไหร่นั้น ก็เป <S an> ็นผลที่จะเกิดขึ้นเองที่เรียกว่ามรคยานผลญาณไงแต่ถ้าเป็นด็อกเตอร์ที่ศีรษะญาแล้วนะด็อกเตอร์ที่ศีรษะญาย่อมจะค้นคว้าอ่านเอาเองจนทะลุเป็นอรหันต์ไปก่อนอรหันต์โพธิลักษณ์อีกไปแขวด็อกเตอร์ที่โพธิศีรษะญาเขาทําไมย่อมจะค้นคว้าเอาอ่านเอาเองจนทะลุเป็นอรหันต์ไปก่อนอรหันต์โพธิลักษณ์อีกอ๋อ ถ้ามีดรอเตอร์ีธัีรษะญาคนว่าที่สีทัญญาเน<ม>ี่ยเขายังจะรบรรลุอลหรหันต์ก่อนโพีิรักอีกเนาะโอ้โ oh หช่างเปรียดเนา ะ, ะจึงขอให้แง่คิดว่าสันติภาพหรือสันติสุขนั้นย่อมจะมีอยู่เสมอในผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วเท่านั้นแต่หากว่ายังง่วนอยู่กับนิโอโปรเทสหรือสองครามสังคมธรรมการเมืองอยู่แล้วก็ฟันธงได้เลยว่าสันติภาพยังอยู่อีกไกลนัก พวกนักบวชหัวเสชอบที่จะสอนว่านรกอย่างกระทะทองแดงและไม่มีจริงดอกนักบวชพวกนี้จึงย่อมจะได้บริวารมากและแถมยังได้บริวารที่รวยอีกด้วยเพราะว่าคนที่ทำบาปแล้วรวยมีมากเมื่อมาเจอกับนักบวชที่สอนว่ากระทะทองแดงไม่มีจริงพวกที่รวยบาปพวกนี้จึงชอบโพธิรักเป็นอันมาก นะเพราะตายไปไม่ต้องไปกลัวตกนรกกระทะทองแดงแย้วอนะไม่ไม่ต้องกลัวตกกระทะทองแดงแย้วส่วนโพธิลักษณ์ก็ได้จะหลอกตัวเองไปวันๆรอการตัดสินเมื่อครบร้อยห้าสิบเอ็ดปีแล้วเท่านั้นเองถ้ามรณะภาพไปแล้วจะนึกถึงคําของเราได้อก็แม่น่าจะขอบคุณเนาะน่าจะขอบคุณ ที่พยายามบอกความจริงของตนเองมาให้อัตมาเข้าใจและอัตมาก็เข้าใจนะแต่คุณไก่เจสุน่าก็คงว่าอัตมายั ง, งโง่ดักดาอยู่อีกนั่นแหละคงไม่เชื่อหรอกว่าอาัตมาเข้าใจที่พูดมาทั้งหมดนี่เข้าใจหมดจริงๆนะไม่มีอะไรเหลือเลยที่ไม่เข้าใจที่คุณไก่เจสุน่าพูดมาทั้งหมดนี่เข้าใจดีและวกอเชื่อว่าเป็นกามเข้าใจที่ชัดเจนด้วยไม่ใช่เข้าใจโมเมนะ ว่าจะพูดถึงรูปถึงนามลึกละเอียดอย่างไดเปรียบเทียบกับนเอียบหยาบนอ ก, นอกแม้แต่คุณวนไปวนมาถึงข้างนอกมังม่งในมั่งเอาอันเดียวข้างในแล้วก็หยับวุ่นวายคลืนแต่ต้องดูคลื่นนะประเดี๋ยวมันจะพาล่มอีกไปไปมาๆอาาัตมาเขาเข้าใจคุณเหมือนกันว่าไม่รู้คุณจะเอาในในอย่างเดียวหรือว่าจะมาเอาข้างนอกคลื่นด้วยวก็เลยยังไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะเพราะงั้นก็ ไปตรวจสอบตัวเองดีเหมือนกันนะอาตมาว่าไม่ใช่นั้นแต่เดี๋ยวจะไปพบกับดรสิทธัญญากันอย่างที่คุณเนี้ยนะเพราะจะได้บรรลุ ก, ก่อนอาตมาไงต้องไปพบกับดรสิทธัญญาโน่นแล้วก็จะได้บรรลุ ก, ก่อนอาตมาเพราะถ้าถืออย่า ง, งอาตมาเนี้ย ม, ม, มันบรรลุได้ไง่ายๆหรอกนะอาตมา ก, ก็เอายี้แล้วกันอาตมาจะขอขยายความโดยรวมไปเลยดีกว่านะเพราะว่าได้ขยายความมาบ้างแล้วในเป็นจุดๆๆ ๆ, ๆว่าคุณ นี่มีจุดที่ต่างกับอาตมาอาตมาไม่ชี้ผิดชี้ถูกนะว่าคุณแต่ต้องชี้ว่าอาตมาถูกกัแหละแต่ไม่ได้ตัดสินเพราะคุณก็ว่าของคุณถูกเพพูดไปแล้วดัานที่ได้วิจัยวิจารณ์มาเป็นคําวิจารณ์อาตมาจะขอเอาเรียบเรียงที่อาตมาเรียบเรียงสภาพนี้ให้ฟังก่อนจะทันเวลาไหมน่าจะทันนะอีกตั้งสามสิบสี่สิบนาทีไอเรื่องของรูปร่าง ในะรูปร่างที่เรียกว่าสรีระหรือรูปโฉมนะที่มีร่าง mm. <listened to> <anyway> เรียกว่าไม้อารูปรูปเนี่ยนั่นก็เป็นเป็นรูปถ้ารูปรูปเนี่ยอาตมาก็ขอยืนยันเป็นรูปนะขึ้นไปบนหน้าสีเลยต้นเลยนะาอ้าวช่วยแดนทามาตนเลยอที่เรียกว่าร่างไมายเอารูปเลยเนี่ยรูปรูปนี่ยไมเอารูปรูปโฉมรูปร่างสรีระเนี่ยซึ่งอาตมาขอยืนยันนะว่า กายกายะเนี่ยไม่ได้แปลว่าร่างหรือสรีระแน่ๆคําว่ากายละเนี่ยไม่ได้หมายถึงร่างนะแต่บอกแล้วว่าคนไทยมันซวยหน่อยที่เอากายนไปผูกกับคำว่าร่างกายแล้วก็เลยยืน ย, นาา ย, นยันว่ากายเนี่ยคือร่างไม่ใช่น่ามาทำไม่เทีายบในเลยคนก็เลยตัดคําว่ากายเนี่ยออกมาเป็นเป็นร่างนอกสรีระหมดเลยก็น่าสงสารนองสารคนไทย นะแต่ขอยืนยันว่าคําว่า ก, กายเนี่ยหมายถึงองค์ประชุมทั้งภายนอกและภายในตนอันมีหมวดแห่งเจตสิกธรรมประกอบเสมอมีเวทนาสัญญาสังขารประกอบอยู่กับคําว่า ก, กายนี่เสมอแม้คําว่ารูปประกายนอกจากคําว่ารู ป, ป ร, รูปเท่านั้นไม่มีคําว่ากายนี่ก็คือรูปภายนอกนะทุเรียนฟักข้าวสมโภช ตะทอนฟักทองอะไรพวกนี้มันมีข้อมันมันมีรูปประรูปข้อมันมันไม่มีน้ำมันไม่รู้เรื่องแต่ถ้ารูปประกายและต้องมีนามเข้าไปเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไม่ตัดขาดเสมอเลยนะแนี่ไม่ง่ายเนา ะ, ะขอยืนยันว่าเป็นองค์ประชุมของภายนอกและภายในตนอันมีหมวดแห่งเจตสิกธรรมอันประกอบเสมอที่สําคัญคือ กายนั้นมีนามอยู่ด้วยไม่ขาดคำว่ากายยนี่มีนามมาทำอยู่ด้วยไม่ขาดจะเป็นมนุษย์สัตว์เทวดาสัตว์อบายต่า ง, างๆนานานั้นต่างคนก็ต่างมีต่างคนก็ต่างสัญญาต่างคนก็จะใช้สัญญานะไม่ว่าจะเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาสัตว์อบายอะไรแล้วแต่คือใช้การกำหนดหมายนะไปตามภูมิรู้ที่มี หรือไม่มีกิเลสภูมิรล่งใครก็แล้วแต่ที่มีหรือไม่มีกิเลสมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเป็นพละขับสำคัญสัญญาเนี่ยคือพละขับแล้วก็กำหนดรู้ตามภูมิคุณ <rí> e> ว่าคุณจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมันก็จะสัญญามันก็จะเป็นพละขับขับไปกำหนดรู้ตามหน้าที่ของสัญญาส่วนฐานคุณคนจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลส ก็คุณนั่แหละสัญญามันจะพาไปไหนไปเห็นอะไรยังไงผู้มีภูมิสัตตวาฏภูมิสัตววัฏขั้นที่หนึ่งสัตววาฏเก้าเนี่ยขั้นที่หนึ่งนี้จะมีแค่สํานึกสามมัน น, นี่อธิบายสัตววัฏนิดหนึ่งสัตววัฏที่หนึ่งเห็นกายต่างกันสัญญาต่างกันนผู้จะเห็นกายนี่จะเห็นกายต่างกันสัญญาต่างกันมีเท่านี้ ภูมิของสัตว์วที่หนึ่งเพราะฉันผู้ที่สัตว์วขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็มีแค่สามัญสำนึกหมายถึงอย่างนั้นสัตว์ข้อที่หนึ่งของสัตว์าเก้านี่สัตว์นี้ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของจิตเจจะศึกยังไม่มีการปฏิบัติทำอะไรนะข้อที่หนึ่งเนี่ยสัตว์ข้อที่หนึ่งนี่สัตว์วยังไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรในการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทางจิตใจสัตว์ทางอุปปาติกะยังไม่เรียนรู้สัตว์อะไรทางจิตใจเลย โดยเฉพาะคนปุถุชนธรรมดาทั่วไปหรือแม้จะศึกษาธรรมะแต่ยังไม่ประสีภาษาก็จะกำหนดหมายความเป็นสัตว์สเปสปะไปตามอานาจจิเลสไม่มีความรู้ทางจิตหรือทางปรมาจารย์เลยก็จะเชื่อว่ากายของความเป็นสัตว์คือโอปปาติกะนั่นเป็นสัตว์สเปสปะไปตามราษาผู้มีอวิชชา น่ะคือความรู้พุทธธรรมยังมิชาทิถิสัญญาความเป็นสัตว์ผู้ที่ยังมิชาทิฐินี่นะผที่ยังอวิชชาเนี่ยสัญญาคือการกําหนดหมายเนี่ยกําหนดหมายความเป็นสัตว์เช่นสัตว์นรกหรือสัตว์วิญิบบาทสัตว์นรกหรือสัตว์วิิบบตทจึงไม่ถูกต้องตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่มีปัญญาเนี่ยกาหนดสัตว์นรกสัตว์วิบัาทอันเนี่ยไม่ไม่ถูกจริงหรอก นหรือแม้เทพก็ตามพรหมก็ตามก็ไม่ถูกต้องตามเป็นจริงกําหนดไม่เคยถูกเราจะมีกายต่างกันไปหมดละกายต่างกันสัญญาต่างกันแต่ผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะที่เป็นสมาธิแท้เนี่ยจะมีกายต่างกันเห็นกายต่างกันแม้คนทั่วไปนี่กายก็เห็นต่างกันโดยเฉพาะเห็นกายทางจิตวิ ญ, ญญาณกายสัตว์นรกกายเทวดากายพรหมอะไรพวกนี้นะจะเห็นไปตามแต่ละคนปั้นเอง ตอนนั้นนี่เขาอธิบายเลยนะโบราณอาจารย์นะบโอ้โหเปลดนี่นะจะต้องปากจูๆจูตัวยาวๆก็ยาวไม่เหมือนกันหรอกปากจูก็ไม่เหมือนกันเทวดาเป็นอย่างนี้ใส่ชดาด้วยนะแล้วก็มีสังวานนะแต่ไม่ใส่เสื้ออะไรอย่างนี้นะของทไทยๆนะเป็นรูปวาดคนก็จะกำหนดคล้ายๆงันแต่ไม่เหมือนกันหรอกจะเห็นพิงเพราต่างกันวาดชม งามโฉมไม่งามของเทวดาก็จะต่างกันท่านนรกจะดูดูเดือดไม่ดูเดือดก็ต่างกันไปตามแต่ละคนจะวาดกายต่างกันซเส้นยายาต่างกันไปหมดอ่มันไม่มีข้อกําหนดหมายไงอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีข้อกำหนดหมายโดยเอาเหตุของกิเลสตัณหาอุปทานกําหนดแล้วมันก็จะอยู่ในกฎเกณฑ์อันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์หรอกลูกก็อย่างนั้นก็โถมันเหมือนกันที่ไหนฟ้าแฝดคู่หนึ่งเหมือนกันไหมฟ้าแฝดคู่ไหนก็ไม่มีสิ่งที่เหมือนกันเปรียบทุกอย่างไม่มี ประมานูสองตัวให้เล็กละเอียดมันก็ไม่ออกกันไม่เหมือนกันอย่างยิบชันใดมันจะต่างกันไปหมดเพราะงคุณจะกําหนดหมายสัญญาอย่างไงมันก็ต่างกันพราองคุณก็กําหนดเดาคุณไปโดยเฉพาะเป็นเดาสิ่งที่มันไม่มีจริงมันมีรูปมีร่างอย่างนี้เป็นต้นสันนรกรูปร่างนี้เทวดารูปร่างนี้พรหมงงรูปรป่า ง, ง่างนี้อรูปขพรหมรูปร่างนี้คุณก็กําหนดเอาไว้ทีองค์กองคใครเดียอพรหมองค์ใครก็พรห ม, มของมันแล้วจะไปรู้องคใครของคใครก็ไม่ได้ไม่ได้ เทียบก็ไม่ได้วัดก็ไม่ได้ไม่มีใคร ต, ตัดสินได้ด้วยไม่ไม่มีใครสามารถตัดสินได้เลยต่อให้เบนพชิตาก็ไม э ่สามารถตัดสินได้เป็นกรรมการตัดสินไม่ออกเบนพชิตาก็เป็นกรรมการในรายการอะไรส่วนมากก็มักจะ ส่วนมากมักจะมีทิฏฐิว่าทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจส่วนมากจะมีทิฏฐิว่าสัตว์ทางจิตใจนี้กายคือองค์ประชุมของรูปนามนี่นะจะมีรูปร่างจะเข้าใจว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์ทางจิตใจเนี่ยสัตว์อุปปาธิกาเนี่ยจะเข้าใจว่ามีรูปร่างมีสรีระเช่นเดียวกับที่คนมีสัตว์มีเนี่ยคนมีรูปร่างสัตว์ต่างๆเดรัจฉาต่างๆ อูมาการกามีรูปร่างซึ่งประกอบไปด้วยมหาภูตรูปอมีรูปร่างตัวตนอยู่นั่นเองเจะเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยจะมีรูปร่างแบบนี้ยผู้ที่ไม่ประสีภาษาเนี่ยผู้ที่จะสื่อสายังไม่สบายที่ถิ่นเนี่ยจะเห็นคอไปเหมือนอย่างคุณเป็ดจัสุน่าเนี่แหละเป็นตาทิพมองได้สามร้อยหกสิบองศาเห็นหมดเลยเนี่ยเห็นด้วยเห็นรูป ด, ด้วยเห็นนา้ำ ด, ด้วยเห็นเทวดาพรหม ด, ด้วยเห็นหมดอ่า เห็นต right? ัวเองตกน้ําก็ได้นะเห็นหมดเห็นพ่อวิ่งมาถอดเสื้อแล้วโตดลับมาช่วยในน้ํานะผู้ที่อวิชชาหรือว่ายังมิจฉาที่อยู่จะต้องจะจึงต่างมีกายคือมีองค์ประชุมของรูปนามในวิญญาณทิฏฐิหรือในสัตตวาดเนี่ยเป็นกายที่มีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้มีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้กายของสัตว์นรกของเทวดาของพรหมอะไรสัตว์ทางโอปปปาติกะเนี่ย ตามที่ตนมีการกําหนดหมายคือสัญญาให้มันเป็นไ ป, นปนตามทิฏฐิที่ตนมิจชาทิฏฐิอยู่เพราะมิชาทิฏฐิของผู้ที่ยังมีรูปร่างอย่นี่รูปร่างไม่เหมือนกันหรอกกายต่างกันไปหมดนะ่ะบอกแล้วว่ามันจะให้เหมือนกันนาแฝดสองแฝดมันยังไม่เหมือนกันเลยปราบรรดูสองตัวมันยังไม่เหมือนกันเลยความจริงด้วยสัจจะเพราะฉะนั้นคุณจะกําหนดหมายเองของใครนี่นะก็ของคนนั้นอะ่ะมันต้องมีเหลี่ยมมุมที่ไม่เหมือนกันอยู่ตนได้ะนะ อ่ตามทิศ ท, ที่ตนมิฉาทิฐิก็วนเวียนถูกผูกเรียบสังโยชน์อยู่กับความเป็นสัตว์ในภพผู้นี้ยังยึดยึดอยู่ว่าต้องเป็นสัตว์แบบนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นเห็นตาทิพย์เห็นสัตว์นรกเห็นเทวดาเห็นพรหมต้องเห็นเป็นรูปร่างอย่างนี้ ก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยสัตวว่าดก้าวิญญาณทิฏฐิของคนนีกายของคนนี้ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ญญนนนน เ, นนเห็นกายอย่างนี้และจะสัญญากําหนดหมายอย่างนี้หรอกจึงจะต้องเห็นอย่างนี้สัญญากระตัวเป็นกฏกำหนดรูด้และคุณก็มีอันนี้เห็นของคุณอ่าเพราะะฉนั้นคนนี้ก็คงไม่พ้นจากสัตตวาดก้าคือความเป็นสัตว์ไปไม่มีทางปลดพ้นไปได้เพราะมันยังไม่รู้ประมาจิมันไปรู้แต่สิ่งที่มันเป็นเทวนิยม เทวดามีตัวตนเทวดามีรูปร่างเทวดามีสิริร่างมีอัตอตาต่างๆนี้ตลอดกาลนานนะเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะคนโบราณเนี่ยได้สร้างงานศิลปะต่างๆขึ้นมาคนโบราณเนี่ยศนะิลปินท่านจะสร้างงานศิลปะเป็นรูปคนมีศีมีศีรษ ะ, ะ, ะบ้างมีคน ม, มีมีหัวเป็นรูปสัตว์ต่างๆอะไรคนโบราณ คนมีหัวเป็นลูกสัตว์ต่างๆคนโบราณว่าคนนี่แหละแต่เป็นเทวดานะเป็นเป็นเทวดาเป็นสัตว์ที่จริงนะท่านจะหมายถึงเทวดาท่านก็เลยมาทำเป็นรูปคนรูปร่างคนอย่างชัดๆที่รู้กันเยอะก็คื อ, อพระอะไรนะที่มีหัวเป็นช้างอะ<ด>พระพิฆเนศนี่เป็นต้นใช่ไหพระพิฆเนศหรือพวกจีเลนพวกตัวอะไร ต, ต, ต, ตัวอะไรเยอะแย ะ, ยะเลยสัตว ต่างๆนี่นะอย่างสมัยใหม่ก็คือที่ภาพที่เขียนในงานเลื่อกต่างขคราวนั้นแะที่จะสู้กันด้วยภาพมีคนใส่เสื้อนอกแล้วก็หัวเป็นหมาเป็นลิงเป็นควายเป็นเสืออะไรอยู่เนี้ยน่ะนั่นแหละคล้ายๆงั้นตัวเป็นคนแต่หัวเป็นสัตว์มีมือมีแขนมีขามีตัวเป็นตนเป็นรูปสัตว์นานาอันแตกต่างไปจากความเป็นคนจึงรูปแปลกประหลาดไปจากรูปร่างความเป็นคน ซึ่งเป็นการสมมตุนะมมมติให้มีสรีระเป็นสิ่งแทนสมมุติให้มีสรีระเป็นสิ่งแทนเพื่อสื่อให้รู้ว่านะให้รูปเห็นรูปรป่างเป็นรูปศิลปินจะเขียนสมัยโบราณก็ตามเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจก็เขียนเละเลยเพื่อสื่อให้รู้ว่าสัตว์ทางจิตใจของคนนั้นคือสัตว์อเบปาติกานั้นมีความลึกซึ้งแห่งองค์ประกอบแห่งกายอันมีทั้งรูปกายข้างนอกและนา ม, มากายประชุมกันอยู่ ซึ่งสื่อให้รู้ว่าคนนั้นมีความเป็นสัตว์สารพัดอีกหลากหลายเาทียบให้มันต่ําำะเทียบให้เป็นสัตว์ทั้งหลายซึ่งความจริงก็เป็นสัตว์อยู่สัตาวา์ตว่าเนี่คือสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนี่แหละหยาบกลางละเอียดโดยเฉพาะสัตว์ข้อที่หนึ่งเี่โอ้โหสารพัดสัตว์รวมอยู่ตรงนั้นก็ขออนุญาตเพราะท่านได้มีเวลาพักอีกประเดี๋ยวหนึ่ง ขอเรียนบอกกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ว่าพ่อครูกำลังนำเสนอประเด็นอันสืบเนื่องจากเ m s ของ8 7 0เจดหซึ่งมีความเห็นต่างตามประเอียดที่ปรากฏตั้งแต่เบื้องต้นว่าพ่อครูได้เน้นยำ้ำว่าแม้ผู้ที่มีความเห็นต่างเนี่ยก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากคนที่เห็นต่าง แม้ในบุคคลผู้มีความเห็นต่างนั้นจะมีเจริตนิสัยบางอย่างเป็นต้นว่ามีนิสัยขมเป็นต้นว่าขมโง่คือหมายความว่าใช้คาว่าโง่เนี่ยบ่อยครั้งมากก็ได้ข้อสรุปว่าเราเนี่ยคือหมายความว่าพ่อครูเองเนี่ยเข้าใจไม่ตรงกับคนที่สื่อแย้งมาเมื่อเราไม่เข้าใจไม่ตรงกันนะนะแล้วเขาไปเข้าใจว่าความเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ย สรุปว่าเราเข้าใจไม่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเราเข้าใจแตกต่างกันโดยที่ไม่สรุปว่าของคุณไม่ถูกต้องเพียงแต่ว่าเรายืนยันความถูกต้องในส่วนของเราะมีคําอธิบายที่เราควรจะต้องเข้าใจอยู่นิดนึงคือคําว่ายึดกับคําว่ายืนหยัดยืนยันเนี่ยจริงๆไม่เหมือนกันเส้นทีเดียวฮะยึดกับยืนหยัดยืนยันต่างกันตามที่พ่อครูได้อถาธิบายให้ฟังไว้แล้วอะ การที่พยายามแย้งความเห็นเนี่ยไม่ใช่ถือว่าเป็นการโต้เถียงแต่คือการยืนยันความเห็นจะบอกว่าเป็นการยืนหยัดยืนยันเนี่ยไม่ใช่การยึดหรือไม่เป็นไม่ใช่เป็นความดื้อรั้นดันทุรังแต่ประการใดมีประเด็นหนึ่งซึ่งประเด็นที่8705ได้พูดมาคือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องวิมุติโดย8705เข้าใจว่าวิมุตเนี่ยปุตุชนก็สามารถมีวิมุติได้ชั่วครั้งชั่วคราว แต่พ่อครูกับเห็นแย้งว่าจริงๆปุถุชนจะมีวิมุติไปไม่ได้น่ะจิงอยู่อาจจะมีว่างช่วคราวแต่นั่นก็เป็นเคหะสิ ต, ตะอุเบขาวเวทนาไม่ใช่เป็นเนคขมะสิ ต, ตะอุเบขาวเวทนาซึ่งเป็นเรื่องของวิมุติซึ่งเป็นเรื่องของความหลุดพ้นโดยประการใดๆก็ตามมีการกล่าวไปถึงเรื่องอปัญญา อ่าต่างๆนานาที่เราได้ยินได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้แล้วอะ่ะขออนุญาตอาฉายภาพย้อนหลังให้ฟังสักประเดี๋ยวหนึ่งเพื่อเป็นการเว้นช่วงว่างให้พ่อครูได้พักสักประเดี๋ยวหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามพ่อครูได้เขียนในเรื่องนี้ไว้และดูเหมือนว่าจะต้องอ่านให้จบเพรา ะ, ะนั้นก็ขอนิมนต์พ่อครูต่อเลยก็แล้วกันนะครับเพราะ ง, งาั้นการทางโบราณทางโบราณศิลปินโบราณในณท่านก็เขียนภาคเขียนอะไรพวกนี้ขึ้นมาอ่าอย่างที่เป็นมาจกนกระทั่งวันนี้ก็ยังมี สมัยใหม่นี่ก็ยังมีเขียนยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนอื่นเขียนอยู่อร่างเป็นคนหัวเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยมันเป็นการใช้สื่ออย่างหนึ่งให้เข้าใจอย่างจริงๆแล้วคนมันหัวเป็นสัตว์ไม่ได้หรอกแต่มันมีนามาทำที่ในคนนี่แหละแต่มันยังไม่พ้นความเป็นสัตว์ไงมันพ้นความเป็นสัตว์นี่ต้องศึกษาดีๆนะลึกซึ้งนะอันนี้เป็นความจริงนะไม่ใช่พูดเล่นนะอ่ะะเาเพราะฉะนั้นสัตว์ ที่ยิ่งมีกิเลสมากก็ยังเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเป็นสัตว์ที่เลวร้ายเป็นสัตว์ที่ทําลายตนเองและผู้อื่นเยอะจิตปัญญาโอปาติกะเนี่ยเป็นสัตว์จริงๆเพราะงั้นคำว่าสัตว์วาเก้าที่ต้องเรียนถ้าคุณไม่เรียนสัตว์ว่าเก้าอย่างเข้าใจชัดเลยแล้วก็มีญาณที่จะเห็นกายและกระบิบสัญญากําหนดถูกต้องคุณบรรลุอลหรหันต์ไม่ได้หรอกถ้ายิงกําหนดยังไม่ได้เลยโซดาบันยังกำหนดบรรลุไม่ได้เลยไม่ได้หรอ เพราะจะต้องอย่างน้อยก็ต้องกำหนดสักกายะให้ออกกายที่เป็นของตนสักกะคือของตนเองกายของตนเองก็คือองค์ประชุมในจิตของตนเองนั่นเละคุณเรียนไปนเป็นพยัญชนะแล้วมีความเข้าใจเรื่องวทิฐิคุณจะพ้นทิฐินี้คุณก็ต้องไปปฏิบัติจนมีปัจสติที่คุณนิวปลว่ารู้แจ้งดีให้มันเห็นจริงรู้แจ้งสัมผัสอาการใ น, นของตนเองเลยว่าอ้อองค์ประชุมของจิต เจตสิกเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างเป็นเงีย้ยตัวแต่อย่าเพิ่งไปเอาดับไปเอาแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่นี่ก่อนแล้วเห็นมันตั้งอยู่แล้วมันไม่เที่ยงอะไปตามลําดับเจ้าต้องมีการเห็นเป็นปัจติจริงๆนะนี่คือการเรียนปรมัทิตย์ไม่จะไปเห็นเออบอกว่าเห็นจิตไปเด้อก็ไปเห็นร่างกายพ่อถอดเสื้อโดดน้ําช่วยเราตวงน้นําอะไรองี้ไ อ, อ้ย่างงั้นไม่ต้องไปศึกษาหรอกนวิชายยางงั้นมันรู้ยากมันเป็นแมจิก ซึ่งมันแมกกิคาลี่น่ามันเข้าใจยากมันพิสูจน์ไม่ได้อย่าไปเรียนเลยถ้าไปเรียนอยู่ก็เป็นแมกกิเชียนกลายเป็นผู้ที่ศึกษาพวกนี้อยู่นั่นแน่เป็นนักเล่นกลเป็นนักเล่นเรื่องลึกลับพรงนี้ไม่ได้เป็นนักธรรมะไม่ได้มาเป็นนักธรรมะขอยืนยันคุณก็ต้องไปเรียนไปอยู่กับคันรสีคันธารีรุสีมานิกาซะ จะรีเก่งนี่อาตมาแนะนําดีนะไม่ใช่ไปแนะนําไม่ดีก็สนใจอย่างนั้นใช่ไหมอย่าไปสนใจพระพุทธเจ้าจะบอกท่านชิกุตฉามิรายามิอัตยามิท่านบริพาท่านบอกโอ้โหสุดจะเกลียดสุดจะระอาไออย่างนั้นน่ะหน้าหนักหน้านายน่านายนายหนักนายหนาท่านนายไอเรื่องอย่างนี้เพราะคนไปสนใจเป็นหลงง่ายนะหลงเยอะเพราะจะให้เลิกมาเนี่ยโอ้โหอ่า อยาก็จะแย่งขี้ออกจากปากหมาเลยนะเพว่ามันกัดเอาเนาะยากนะรู้สึกจะหนักกว่าแย่งอ้อยออกจากปากช้างอะน ะ, ะจะว่าผมก็ว่าเธอไปเปรียบเทียบให้ดีหน่อยก็ไม่เปรียบเทียบไปเปรียบขี้กับปากหมาอ้อยจากปากช้างก็ไม่เปรียบเทียบฉลาดว่าผมนั้นเนี่ยข อ, ขอบคุณที่เตือนอย่าไปหน่อยอต่อ นิยายหรือนิทานต่างๆเป็นทั้งงานวรรณกรรมงานปั้นงานวาดอะต่างๆของศิลปินจะเป็นงานศิลปะของผู้ที่รู้จริงนะเป็นศิลปินแท้เนี่ยทั้งงานที่เกิดจากผู้มิจฉาทิฐิมันมีทั้งศิลปินที่รู้จริงนะแล้วก็ท่านก็วาดตรงนี้ออกมาอย่างมีปัญญาสื่อเพื่อให้รู้สิ่งที่ลึกซึ่งถึงอภิธรรมนี่เป็นศิลปินนะเป็นนักศิลป์อาตมาในเรื่อศิลปะมา ในระดับปริญาเอกนี่ยเขาจะเรียนรู้ถึงอภิธรรมศิลปะีซื้อให้รู้ว่าซื้ออะไรแต่ทุกวันนี้นี่ไม่เข้าใจแล้วศิลปะล่อเละเลยเขียนมอมเมาคนตะพุตตะพืหลอกลอกเต็มหลอกตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยเขียนอะไรแสดงอารมณ์ออกมาเขาบอกเป็นศิลปะแสดงอารมณ์ออกมาไม่ใช่ศิลปะนั่นเป็นการขายคีเทอของตนเองศิลปะเราบอศิลปะงานชิ้นต้องมีอารมณ์ต้องใช้ต้องบิ้วอารมณ์แนชวชาวของอุฟะลสสาหัวหลังด้วยนะแล้วก็ถึงจะเขียนได้ มันไม่เขียนไม่ได้เอาแล้วปรียารยาวไปไปวิจารณ์ศิลปะอีกซึ่งเป็นนักศิลปะที่เป็นผู้รู้จริงเป็นศิลปินแท้ก็เขียนทั้งงานที่เกิดจากผู้มิจฉาทิฐิปรุงแต่งเสริมเติมด้วยความไม่รู้จริงเข้าไปอีกเกี่ยวเขียนก็ทำทั้งปันทั้งวาดทั้งวรรณกรรมหมดจึงเลยกลายเป็นสัตว์ทางจิตใจของคนเนี่ยเละเทะสะเปสะปะไป ไม่เป็นศิลปะแต่เป็นงานที่ผิดไปจากศัจธรรมเรียกว่าอนาจารหรือว่าเป็นค่าสึกแก่กุศลมากมายเกิดขึ้นในโลกคืองานศิลปะนั้นเป็นมงคลอันอุดมแต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่ศิลปะก็เป็นการมอมเมาหรือว่าเป็นงานอนาจารเพราะเป็นค่าสึกแก่กุศลทุกวันนี้มีกันอยู่เต็มโลกเลยลงว่าเป็นศิลปะ ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาอเจตนาก็มีไม่เจตนาก็มีแล้วหลงมาเป็นงานศิลปะเต็มโลกเลยทุกวันนี้ซึ่งผู้ยังไม่ประสีภาษากับเศรธรรมก็หลงยึดหลงยึดได้แค่รูปได้แค่สรีระแค่ร่างแค่รูปแค่ร่างของข้างนอกนี่แค่โฉมของงานศิลปะเนี่ยไม่ยังลึกเข้าไปถึงเนื้อแท้สาระสําคัญที่เป็นธรรมอาทิฐาน จึงได้แค่บุคลาธิฐานของงานศิลทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้เพียงเปลือกนอกซึ่งไม่ใช่สารทสําคัญทีจ่จะที่ชื่อว่าเป็นมงคลอันอุดมนะเพราะฉะนั้นเสพงานศิลไม่เป็นไม่ไม่ได้มงคลอันอุดมที่แปลว่าสิ่งที่นําพาไปทําพาให้เจริญสู่ความสูงสุดอุดมนี่จุดสูงสุดนาพาเจริญไปสู่สูงสุดก็สู่โลกรุษระนั่นแหละ จนถึงนิพพานด้วย น, นะธรรมะที่พาไปสู่ความละน่ายคลายจนถึงที่สูงสุดสุขเกษมคือนิพพานตามดีบุจาเถระตัดไว้ว่าศิลปะเป็นมงคลอันอุดมไม่ใช่ข้าสึกแก่กุศลหรือว่าไม่ใช่อาจารย์แต่ถ้ามิใช่งานศิลป์นะมิใช่งานศิลป์ซึ่งคนที่ไม่ใช่ศิลปินอีกมากก็จะช่วยกันจินตนาการของตนเอง เสกสรรปั้นแต่งตามอาวิช า, ามีอวิชาก็เสกสรรปั้นแต่งไปอีกอวิชาของตนก็เสริมก็ไปอีกเสริมก็ไปอีกก็กลายเป็นงานมอมเมาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเลยด้วยอวิชาคือไม่รู้ลึกซึ้งถึงความเป็นศิลปศิลปะนี่ยที่เข้าคายเป็นมงคลอนุดมส่วนมากจะเป็นงานก่อกิเลส ก่อให้หลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพื่อเสพรถอัศาาทะกันอย่างแบบโลกีน้นี่ทั้งสิ้นเลยงานนี่บอกว่าเรียกว่าศิลปะนี่มันไม่ใช่มันเป็นงานไม่ได้กรอบให้เป็นมงคลอนุดมเป็นข้าสึกแก่กุศลและเป็นสิ่งไม่น่ากระทำได้วัอนอาจารย์หรือไม่เป็นไม่หรือไม่ก็ว่าเป็นงานที่เกิดอัตตาไม่เป็นกามก็เป็นอัตตา จะเป็นงานที่เป็นข่าศึกแาขกุศนที่เรียกว่าอนาจาร์คือไม่ควร ท, ทํานอนาจาร์นี่ไม่ควรทําศิลปะขั้นอุดมถ้าศิลปะถึงขั้นอุดมซึ่งหมายถึงขั้นประเสริฐเลิศอุดมในประเสริฐเลิศยอดเลยเข้าขายอาริยะหรือโลกุตระจึงหาได้ยากศิลปินที่สมาธิฐิสร้างงานเข้าขายศิลปะที่เป็นมงคลออุดมที่ว่านี้ หาได้น้อยมากในโลกปัจจุบันนี้ส่วนมากก็ติดอยู่แต่รูปนอกแค่แสงสีเสียงหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันเป็นรถกามารมณ์หรือไม่ก็เพอ้อฝันปั้นอัตราสามไม่รู้เรื่องปั้นอัตราสามหนักหน้ากันจนจะทั่งอัตมาก็ไม่สามารถจะสาธยายได้หมดหรอกมันมา ก, กเกินที่นับปันก็มอมเมากันหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็หลอกกันว่าศิลปะ งานที่จะนำไปนาพาให้เจริญทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะถึงขั้นนำพาไปสู่ขั้นอริยะที่เป็นโลกุตระซึ่งกำจัดความเป็นสัตว์ทางจิตใจงานที่จะทำให้คนขจัดความเป็นสัตว์ทางจิตใจคือสัตว์โอปปะปิกะเนี่ยงานที่จะทำให้ละนายคลายเป็นมงคลอ น, นุดรมเนี่ยจึงหาไม่ได้ค่อยหาไม่ค่อยได้เลย ผู้ที่ยังไม่มีสมาธิธิในความเป็นสัตว์ทางจิตใจคือสัตว์อุปปาทิการนี้ผู้ที่ไม่มีสมาธิทิทั้งหลายเนี่ยดังกล่าวมานี้ที่จินตนาการของตนเองเสกสรรปั้นแต่งให้จิตให้วิญญาณมีรูปมีร่างให้เป็นรู ป, เ ป, รปเป็นร่างต่างๆซึ่งขานแยงกับความตัดสรูรของมุทิเจ้าที่ว่าจิตหรือมโนหรือวิญญาณนั้นนะ่ะไม่มีรูปร่างอสรีรัง ไม่มีรูปร่างจิตเบมโนโนี้ไม่มีรูปร่างอสริลังดังนั้นจิตวิญญาณจึงมีรูปมีร่างเพราะว่าเขาไม่รู้ไงอจริงๆแล้วจิตวิญญาณไม่มีรูปร่างแต่ที่ศิลปินไปเขียนให้มันมีรูปร่างเพื่อให้เจตนาผู้ที่เป็นศิลปินจริงๆเจตนาให้ไปรู้ข้างในนะอ่า อย่างพวกที่ใส่เสื้อ น, นอกลอนะไรหัวเป็นหมานี่นะหัวเป็นเสือหรือเป็นบมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะจิตวิญญาณหมายถึงจิตวิญญาณหัวนะี่ยหมายถึงจิตวิญญาณไม่ได้หมายถึงร่างกายร่างกายเป็นมนุษย์นี่แหละแต่จิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจ้าเตือนสติศิลปินเขาก็เขียนอย่างนี้แหละอ่าเพราะงั้นทุกวันนี้เนี่ยจิตวิญญาณเมื่อ เข้าใจไม่ได้ก็เลยเข้าใจว่าโอ้จิตวิ ญ, ญญาณต้องไม่รูปร่างต้องมีอย่างนี้แบบเนี้แบบเนี้จิตวิ ญ, ญญาณต้องมีอย่างนี้สารพัดสัตว์เลยใช่ไหม่มาสารพัดสัตว์เลยแล้วก็รูปร่างแปลกๆเวล า, ปลาไปเจอะเลยก็เกิดจากผู้มิจฉาทิฐิทั้งหลายสารพัดนี้เองที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาสารพัดจะไม่มีจุดหมายหรอกศิลปินนี่มีจุดหมายรู้ว่าเขียนมาสื่ออะไรเพื่อให้คนได้เกิดจิตวิญญาณอย่างไรพัฒนาอย่างไรเพราะใครเข้าไม่ถึง ก็ไปติดหยกอยู่ที่รูปลุกนอกนเข้าไปถึงก็ติดอยู่ข้างนอกอเพราะงั้นผู้ที่ยิ่งไม่เป็นศิลปินเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเขียนไปตามภาษาอยากใหเขียนอะไรให้มันเละเทะ ๆ, ๆจับอะไรมาต่ออะไรเป็นหัวเป็นหาง เ, เป็นตัวเป็นตเนตอะเละไปหมดเลยไม่เข้าใจในจุดมุ่งหมายว่าเราจะซื้ออะไรเป็นศิลปินที่ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราจะให้คนเข้าใจเข้าไปถึงนามเพราะ งานศิละปะนี่จะต้องมีคุณลักษณะเปลี่ยนแจงเปลี่ยนแปลงจิตใจงานศิละปะนี่เสพทางใจนะเสพทางรูปข้างนอกเท่า น, นี้มอมเมาเท่า น, นั้นแล้วก็ไปติดแขกอยู่ที่รูปข้างนอกนี่ถูกมอมเมาแต่พอได้รูปข้างนอกแล้วมันอ่านทะลุก็ไปถึงข้างในจิตใจหมายถึงอะไรคืออะไร เข้าเป้าง่ายๆก็คืออะไรคือสิ่งที่เราติดยึดอะไรคือกิเลสตัหาอะไรคือสิ่งที่น่าปล่อยวางไม่ใช่ไปดูแล้วก็ได้จะ ต, ติดเข้าไปใหญ่เลยดูรูปโนตรูบปอกกิเลสก็ยิ่งเจ็ดใหญ่เลยโอ้โหอยากดูแล้วดูอีกดูแลดูอีกกิเลสเราขึ้นมันดีวะเว้นจริงๆเลยนั่นเป็นงานอนาจารงานฆาสศึกแกกุศล งานที่ไม่น่าสร้างเลยเยอะเยอะมากเลยเอา ล, ละมันละเอียดเดี๋ยวอาตมาจะวิจารณ์ไม่ไหวดอกศิลปะนี่อาตมามีมันเยอะอาตมาไม่อยากพูดเพราะว่าพูดไปแล้วก็เพืพ่อนๆกันทั้งนั้นพราะงานอาตมาก็เสด็จศิลปะมาแล้วก็ไปว่าเขาเขาร่ำเขาวรวยเพราะงานศิลปะนี่เยอะแยะเลยอาตมาไม่ได้เงินจากศิลปะสักบาทตั้งแต่เรียนมาจนกระทั่ทงมาอายุป่านนี้แล้วทํางานศิลปะมาเยอะ ศิละปะของอาตมาเนี่ยไม่ได้แค่ลูกวาดลูกปั้นลูกเขียนลูกอะไรเท่านั้นเป็นอื่ น, นงานพวกนั้นอาตมา น, น, น้อยจนกระทั่งเกือบไม่มีแต่อาตมาทํางานศิละปะองค์รวมอาศัยมือคนนี้ปั้นอะไรมือคนนี้เขียนอะไรมือคนนี้อะไรอาตมาจะเขียนเขียนเท่านั้นเขียนเป็นตัวหนังสือเป็นวรรณกรรมเยอะหน่อยเพลงก็มีบ้างแต่ส่วนงานปั้นงานวาดน้อยน <c oughs> งานเขียนอาตมา หาต้นฉบับไม่เจอทีเดียวแต่เหลือภาพที่มันพอได้มีอยู่ภาพเดียวในชีวิตนี้ติดอยู่ในห้องอะงานที่มือศิลปะภาพจิตกรรมเมื่อเทมานอกนั้นไม่รู้หายสูญไปไหนหมดเลยหาไม่เจอไม่รู้ไปไหนหมดอแม้แต่รอยยิ้มยังไม่เจอเลยมีภาพที่เป็นภาพสมบูรณ์แบบสีสันเป็นจิตกรรมมีอยู่หนึ่งภาพเขาเลยเขาปีเอาไว้เพื่อที่จายทอด ไปอยู่ภาพเดียวเอาต่อปั้นแต่งขึ้นสารพัดสัตว์โอ้จะหมดเวลาแล้วจินตนาการมากขึ้นไม่มีลดลงไม่มีจบสิ้นนี่หมายความว่าคนไม่ใช่ศิลปินแถมพื้นฐานความเชื่อเดิมของผู้ที่สร้างงานศิละป์นี่พื้นฐานความเชื่อเดิมของชาวเทวนิยมะ เ, เชื่อเดิมของชาวเทวันก็เชื่อว่าจิตวิญญาณมีรูปมีร่างเพราะฉะนั้นใครมีวิญญาณเทวนิยมเนี่ย ก็เลยไปกันใหญ่เลยเชื่อว่าจิตวิญญาณมีรูปมีร่างมีสรีระมาจต่ไหนแต่ไรอีกด้วยจึงยิ่งทําให้การชี้แจงสัจธรรมว่าจิตวิญญาณนี่ไม่มีรูปไม่มีร่างหรอกนะนั่นนะยากแสนยากยิ่งก็เข็นครกขึ้นเขาเลยเข็นก็ขึ้นเขานะยังไม่เคยเข็นเขาขึ้นครกนะยากยิ่งมันยังพอมีหวังบ้างนะเข็นครขึ้นเขาก็ดีหน่อยก็ยังดีอ่า จะพยายามทําให้คนเห็นสัจจคความจริงว่าความเป็นสัตว์ทางจิตใจหรือเป็นผีเป็นเทวดาเนี่ยเป็นความเป็นสัตว์ทางจิตใจความเป็นผีเป็นเทวดานั้นไม่มีรูปไม่มีร่างเท่าที่ผู้มีตาทิพย์เห็นความเป็นสัตว์ทางจิตใจความเป็นผีเทวดานั้นได้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศนี่เอาคําสอนพระเจ้ามาโคตรเลยในพระเจ้าปิฎกเล่มสิบจำได้อีกด้วย ข้ อ, อหกสิบเอาไปเปิดดูเลยเห็นนามมารูปเห็นนามมาทำเนี่ยด้วยอาการลิงคา่านิมิตรุเทศเห็นจิตใจจิตวิญญาณนี้ด้วยอาการลิงคา่านิมิตรุเทศซึ่งคนจะเชื่อหรือว่จะเข้าใจได้นั้นยากยากยากยากยากมากมากมากมากมากจริงจริงจริงจริงจริ ง, งคนมากกว่ามากจึงยึดถือคือในอุปทานยึดถือนี่คือมนานจะว่า ความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณนั้นมีรูปร่างโฉมร่างคนที่จะเชื่ออย่างนี้ไม่หมดไปจากโลกหรอกคนที่เชื่อว่าจิตวิญญาณมีรูปร่างผู้จะมีปัญญาปัญญาจนสามารถมีตาทิพย์หรือที่เรียกว่ามีวิชาแปดวิปัชนาญาเป็นต้นน้อยจะเกิดหาได้ยาก แต่ควรจะเข้าใจว่าจิตวิญญาณเป็นตัวตนเป็นรูปร่างนี่เยะเพราะความไม่มีพุทธิปัญญาดังกล่าวอย่างนี้เองจึงพลอยพาให้เข้าใจว่าแม้แต่ความเป็นจิตใจหรือวิญญาณยังมีรูปร่างโชมร่างนมีสรีระเหมือนสัตว์เหมือนบุคคลมีรูปร่างเป็นตัวเป็นตนตามที่ตาเนื้อเห็นนี่แหละนะรูปร่าง จ, จิตใจจิตวิญญาณจะมีรูปร่างเมือ่อตาเนื้อเห็นเนี่ย จึงเชื่อสนิทในใจว่าความเป็นจิตเป็นวิญญาณนั้นมีรูปร่างโชมร่างมีตัวตนนารูปร่างโฉมร่างคือศรีระมีตัวตนคืออัตตาเหมือนกับที่ตายเห็นรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกระทบรสกายภายนอกสัมผัสเสียดสีเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นแหละเป็นผลสภารมลมนั่นอย่างนี้แหละจะเหมือนกันกับตาหูกระทบเนี่ยเห็นจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นอะไรทั้งนั้น เป็นสิงจริงที่มีอยู่จริงในทุกมิติทุกพบที่ยังมีจิตเข้าใจว่าในจิตอยู่ที่ไหนจะต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหมดฟังให้ดีนะกลิ่นห้าเนะี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในนะห้านี่นะนะจิตวิญญาณอยู่ที่ไหนก็จะมีหมดฟังนะัะลึกเส้นนะละเอียดตรงนี้นะตั้งใจดีๆไม่ว่ากามาพบรูปมาพบรูปมพ แม้แต่พบที่ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกแล้วพบที่ไม่มีแล้วนะฟังดีๆนะจิตวิญญาณนี้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกแล้วก็ยังมีรูปเสียงกลิ่นรสผ o t พพะคือรสทางกายภายนอกอยู่จึงยังเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะคนที่ยังมีอุปทานอย่างนี้จึงยังเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่กับการกระทบสัมผัสจากทวารภายนอกห้านี้อยู่ ในอุปาทานซึ่งจะมากหรือน้อยจะแรงจัดจ้านหรือเบาบางเบาแค่ไหนอย่างไรก็เป็นจริงตามอุปท า, านคือความยึดว่าภาวะนี้จริงเนี่ยเท่าที่คนผู้นั้นยังมีเหลือเป็นอนุสัยของแต่ละคนอนุสัยหยาบ ก, ก็เต็มรูปเลยมีจริงๆเลยแล้วดิ้นอยากได้จริงๆเลยนรกเพราะทุกข์สวรรค์เพราะสุข จึงมีอยู่ในภาวะที่เรียกว่าจิตวิญญาณด้วยประการชนิดพังดีๆนะจะเข้าใจจิตวิญญาณของผู้ที่ไม่มีตาหูจมกูกลิ้นกายใจแม้จะมีตาหูจมกูกลิ้นกายใจเป็นๆอยู่ผู้นี้ไม่เหมือนไม่มีตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วแต่ไม่ได้หลงว่ามันไม่เห็นนะมันไม่ได้ยินนะมันไม่เห็นคนเดินมันเห็นรถอยู่นิ่งๆมันไม่ใช่นั้นอันะนั้นะวิบลาศ รถมันวิ่งอยู่ไปเห็นว่าคนดูอย่างนี้ก็เดินก็ไปชนรถตายพอดีไม่ใช่นะไม่เหมือนคุณแปดเจ็ดนทานะอาตมาไม่ได้เห็นแบบนั้นนะมันเห็นทุกอย่างชัดแต่จิตมันนิ่งจิตมันไม่ไม่มันมันไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกนะผู้ใดผู้ได้กําจัดอนุสัยหรือสิ้นเกลี้ยงอนุัสเจ็ดหรือสิ้นสังโยชนสิบอย่างเที่ยงแท้คือนิจังยั่งยืนทวัง ตลอดการสัจตังไม่แปลเป็นอื่นอวิปริณามัทรมังไม่มีอะไรจะหักล้างได้อสังหิรังไม่กลับกําเริบอสังกุ ป, ปังแล้วจริงเท่านั้นที่จะหมดสิ้นทุกข์สิน้นนรกสิ้นสุขสิ้นสวรรค์เป็นนิพพานผู้ที่ตายร่างกายแตกสลายไปแล้วกายจสับเพทานเหลือแต่จิตหรือวิญญาณ น, นั้นอยู่ในภพที่ไม่มีร่างของคนเป็นเปๆ น, นี่แล้วเขาผู้นี้ก็มีอัต ตัปติลาโพคือการได้อัตตาแน่นอนโดยไม่ต้องอยากได้อยากมีเลยเขาต้องมีเพราะเขายังมีอุปทานว่ามันยังมีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่และแม้เขาตายไปแล้วไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเขาก็ยังนึกว่าเขาจะต้องได้เพราะอุปทานของเขายังยึดอยู่ว่าเขาจะต้องได้เขาจึงมีนรกสวรรค์เพราะงั้นพระอระหันต์ท่านไม่ไม่ได้ลงผิด ท่านตายไปแล้วจิตวิญญาณท่านไม่มีตาหูจุลินกายแล้วท่านจึงไม่ดิน้นไม่มีนรกมีสวรรค์เลยแม้เป็นเป็นนี้พระอระหันต์ก็รู้ว่านารกสวรรค์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นใจมันไม่มีนรกสวรรค์เออจริงจิ ง, จงเอาเท่านี้ก่อนเราจมาหมดเวลาแล้วเดี๋ยเวลาที่ไม่มีให้ท่านจันสรุปครับก็เป็นเวลาที่ไม่มีก็เพราะ<ม>ว่าถึงซึ่ง นิพพานแล้วอะหมดนรกหมดสวรรค์หมดอารมณ์ปรุงแต่งใดๆทั้งหมดทั้งสิน้นพ่อครูได้นำเสนองานศิลปะทางจิตใจนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงจิตใจคนนั่นคือจุดมุ่งหมายของคำว่าศิลปะศิลปะอันเป็นมงกลอนุดมโดยแท้จริงแม้พ่อครูจะบอกว่าในชีวิตเนี่ยงานศิลปะของท่านขายไม่ได้สักบาทเดียวก็ตามแต่จริงๆขายไม่ได้สักบาทเดียวนี้หมายความว่ า, วา อมีค่าเอาเงินมาแลกไม่ได้คือหมายความว่าโลโลกตระเนี่ยจริงๆขายไม่ได้ซื้อไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณมีได้จึงเป็นศิลปะโลกุตระตามที่ได้กล่าวมาเราได้มีโอกาสฟังมาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความจริงที่พ่อครูได้นําเสนอแม้จะถูกสรุปจากแปดเจ็ดศูนย์ห้าว่าทําไมถึงโง่นักก็ตามอาตมาเชื่อมั่นว่าเราเนี่ย เคยอ่านหนังสือสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนนะนะสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนคือคนที่รู้ว่าตัวเองโง่และจัดการกับความโง่อของตอนเองเนี่ยคือคนนั้นกํำลังจะเป็นคนที่ฉลาดตามที่พ่อครูมื่จะบอกอยู่เสมอเสมอว่าคนฉลาดคุณฉลาดเท่าที่ขุนโง่หรือจริงๆคุณฉลาดเท่าที่รู้ตัวว่าคุณโง่และคุณก็จัดการกับความโง่อของคุณออกไปอะนั่นแหละคือความฉลาดประเด็นสําคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือว่า ข้อวิภาควิจารณ์ข้อโต้แย้งของ8705เนี่ยบางเรื่องพ่อครูเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นจริงไปตามเป็นจริงตามนั้นและไม่มีอะไรที่จะไปกักว่าไม่ไม่จริงคือในบางเรื่องบอกว่าจริงก็จริงแต่ในเรื่องที่ท่านเห็นว่าไม่จริงท่านก็แสดงความเห็นต่างออกไปอระรมาเชื่อเหลือเกินว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้ฟังมาเนี่ยอย่างน้อยใครจะฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง สิ่งที่เข้าใจได้เป็นอย่างดีก็คือทุกครั้งที่มีคนวิาพากษ์วิจารณ์เรากล่าวแยง้งนแสดงความเห็นต่างกับเราอะเราควรจะนําท่าทีแบบพ่อครูเนี่ยไปใช้ฟังแล้วก็เข้าใจให้หมดตามที่พ่อครูบอกว่าเราเข้าใจหมดเลยที่คุณได้ว่ามาเนี่ยแต่เราเห็นต่างจากคุณเนีไอ้ส่วนที่เราเห็นต่างกันเนี่ยคุณก็สรุปว่าเราเห็นผิดเรากร็เราก็สรุปว่าเราเห็นถูก ไอ้ส่วนคุณเห็นแตกแตกต่างจากเราก็เป็นเรื่องของคุณไม่มีปัญหาแต่ประการใดทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือประเด็นที่เราได้ฟังและเป็นการรับอาหารใจจากพ่อครูในเวลาสองชั่วโมงนี้ขอกราบขอบคุณพ่อครูที่ให้ธรรมะอันเป็นประโยชน์แก่จิตวิญญาณของของเราขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมนาสิ่งนี้ไปเป็นอาหารใจเพื่อเป็นศิลปะอันเป็นมงคลอนุดมให้กับชีวิตจิตวิญญาณของพวกเรา โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน